ตัวจกนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัชน์ชาวเรื่องความลึกซึ้งพิจารณาธรรมในธรรมโดยพระท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่2สิงหาคม2546ที่หมู่บ้านราธชธานีอสุขขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าในพระธรรมปิฎกนี่มีตรัสไว้ท่านบอกว่าเ อ, อ่ออะไรหนอแลที่ไม่ทําให้จิตเราแล่นไปนะแล้วท่านก็อะไรจานวนต่อไปอีกมานะอะไรน้อแลที่ไม่ทําให้จิตเราแล่นไปแล้วท่านก็ตรัส ตอบตัวเองออเพราะว่าเราไม่ได้พิจารณาให้มากเนื้อหาไขความเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาให้มากเราจึงจิตย่อมไม่เล่นไปเลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสสิ่งที่ไม่จเจริญก็ไม่จเจริญแต่เมื่อได้พิจารณาให้มากแล้วทําให้มากแล้วจิตจึงเลื่อนไปความเลื่อมใสจึงเกิดขึ้นความจเจริญจึงเกิดขึ้นนะ อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะจะมาว่าในหมู่พวกเราเนี่ยหลายคนคงจะติดตรงนี้น่ะติดตรงที่ว่าอืมมันมันก็ไอสิที่เราปฏิบัติได้แล้วเนี่ยมันก็ได้แล้วนะแต่ว่าได้แค่นี้เนี่ยมันมันก็ไม่กระเลื่อนขึ้นอีกมันก็ไม่เห็นมันสูงขึ้นอีกมันก็เห็นไม่มันเจริญขึ้นอีกเอ๊ะแล้วมันจะเป็นอรหันต์เมื่อไหร่เนี่ยมันก็ดูมันอยู่อย่างเงี้ยนะ หลายคนคงคล่องใจตรงนี้นะแล้วเราก็มาพูดกันตรงนี้มีคนเขาเจอเจอประเด็นนี้แล้วก็เอามาบอกอาตมามาถามอาตมาเหมือนกันอาตมา ก, ก็บอกเออดีพบจุดนี้แล้วก็ต้องพิจารณาจุดนี้แหละให้มากไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ไม่เลื่อมใสไม่ไม่ไปเจริญไม่เลื่อนไป จ, จิตใจไม่ จ, จิตใจจิต ไม่ไม่ไม่เลื่อนไม่เลื่อนไม่เลื่อนนะฮะไม่ลั่นไปจิตไม่ลั่นไปจิตไม่เจริญมันไม่เดินหน้าเองจิตไม่เดินหน้าจิตไม่เจริญพัฒนาขึ้นไปเกือกว่าเดิมเพราะเราพิจารณาไม่มากคําว่าพิจารณานี่สําคัญมากนะเราพิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรม คำว่าพิจารณาคำนี้ภาษาที่ใช้ในศาสนาเนี่ยเราต้องพิจารณาจริงๆนะต้องพยายามมันจะเผลอมันจะไม่ไม่พิจารณามันก็ทำไม่เรื่อยๆที่อาตมานเน้นว่าให้ อ, อ่านอ่านจิตอ่านใจก็คืออ่านและพิจารณาไม่ใช่อ่านรู้เฉยๆแล้วไม่พิจารณามีพิจารณามีธรรมวิจัยให้เป็นสัมโพธชง ให้มีรรมวิจัยเป็นสัมโพธชงมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมก็ดีแล้วเป็นขั้นตน้นนะแล้วก็เป็นสติที่พยายามให้สติของเรามันเป็นโพธชงให้ได้ถ้าสติไม่เป็นโพชชงก็หมายความว่าเรายู่ไม่ได้อยู่ในสนามรบแห่งธรรมะเราอยู่ในสนามรบแห่งธรรมะก็คือสติของเราในเริ่มต้นเป็นหัวหน้านะเป็นตัวหัวหน้า ที่จะทําให้เราได้ลุยไปที่ไหน ๆ, ๆ, ๆเพราะเป็นกัปตันหรือเป็นแม่ทัพในขณะปฏิบัติอยู่ตลอดตลอดเวลาเนี่ยเรามีนะสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานเมื่อมีสติแล้วเราก็มีการระมัดระวังสังวรประธานระมัดระวังวิจัยแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้อกุศลธรรมมันจเจริญอย่าให้อกุศลธรรมมันเกิดเราต้องพิจารณาธรรมในธรรม แทรกลงไปอีกรู้ตัวทั่วพร้อมอ่านจิตไวอ่านจิตถันก็ดีแล้วเมื่อมีทำมาวิจัยเข้าไปอีกก็ต้องทำมาวิจัยแล้วก็พิจารณาวิจัยแล้วก็พิจารณาวิจัยแล้วก็พิจารณาทําในทำหนึ่งจะต้องวิจัยให้รู้ให้เห็นตัวอะไรข้อที่หนึ่งนิวรณ์ห้า ต้องพิจารณาให้เห็นเลยว่าในใจเรามันมีกิเลสหลักก็คือนิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นกิเลสหลักการหรือพยาบาทก็คือราคะกับโทส ะ, ะราคะมุลงโทสะมูลทีนามิทะอุทจักุกุจจักก็คือความไม่ได้สัสดส่วนของจิตจิตมันตกไปจิตมันหูหดหูไปจิตมันไม่โปร่งใสจิตมไม่เบิกบานร่าเริง จิตมันไม่มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาจิตมันไม่ยินดีเบิกบานร่าเริงจิตมันมันมันหดหูจิตมันไม่ไม่ค่อยดีนะทีนมิทะหรือมันฟุ้งกระจายโอโหจิตมันนะอุทักกุกุจักนะมันฟุ้งซ่านมันอะไรแต่ไรก็ไม่รู้ก็ต้องรวบรวมว่าอะไรกันนักกันหนาอารมณ์ของเราทําไมมันกระจายกระเจกระเจิงอย่างนี้อะไรงี้เป็นต้นเราก็ต้องดู ไม่มีทีนะมิถ้าไม่มีอุทธจักกุจจะจนรู้ว่าในองค์ความคิดหรือว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่อยู่ในฐานะที่ไม่เป็นองรวมที่ดีไม่เป็นเอกคตาเอกคตาไม่ได้หมายความว่าจิตจะต้องไม่มีกิเลสเลยไม่มีอารมณ์อะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เอกคตาหมายความว่าเป็นองรวม จิตมันรวมเป็นหนึ่งอยู่ในระบบที่เราดูแลมันได้ทั้งหมดอารมณ์ของเราจิตของเราเนี่ยเราดูแลมันได้ทั้งหมดนั่นคือองค์รวมจิตของเรามันก็ย่อมคิดย่อมสัมผัสรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสทั้งหทวารนะพิจารณาธรรมในธรรมมีหนึ่งนิวรนาสองอุปทานขันนาสอายตนาหกสี่โพชชงเจ็ดห้า อริยสัตสเราต้องดูนนเนี่ยทำในธรรมนะเราต้องรู้ว่าในขณะปฏิบัติธรรมเรามีธรรมทั้งห้านี่ไหมมีธรรมทั้งห้านี่ก็คือเราต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าขณะนี้เนี่ยเราพิจารณาอยู่ในหลักเอกไหมทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกขและเรากําลังมีการปฏิบัติมรรคองแปดหรือไม่ นั่นอริยสัตสีถ้าเอะเราเองเราพิจารณาเห็นนไม่ใช่ระเริงสุขท่านให้เตือนตนให้รู้จักทุกให้เห็นความเป็นทุกทุกอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตานะทุกอย่างมันอยู่ในไตรลักษณ์นี้อยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราสัมผัสแล้วเนี่ยอย่าไประเริงสุขธรรมะของพรจพุทธเจาไม่ให้ไประเริงสุขเพราะสุขคือตัวล่อของทุก สุขนี่คือตัวล่อของทุกข์เป็นตัวหลอกหลอกให้เราหลงสุโรกีเนี่ยเมื่อเราได้สมใจในกามสมใจในอัตตานสมใจในกามสมใจในอัตตามันก็เป็นสุขทั้งนั้นน่ะสมใจในอัตตามันก็เป็นสุขแต่ภาคปฏิบัตินั้นน่ะพวกอัตตาเนี่ยพระพรทเจ้าตรัสเอาไว้ตั้งแต่เปิดฉากเปิดาศาสนาขึ้นมาแล้ว ท่านตรัสไว้ตั้งแต่ในธรรมาจากกบฏวัฒนสูตรสูตรแรกพอเริ่มประกาศเทศเป็นการแรกปั๊บท่านก็เปิดฉากศาสนาของท่านเลยศาสนาของเราคืออะไรคล้ายๆงั้นน่ะธรรมาจากกบฏวัฒนสูตรก็คือประกาศความตรงสองส่วนความส่วนสุดสองส่วนนั่นคือศาสนาพระเจ้าที่ต่างกับศาสนาอื่น ประกาศแค่นี้แหละเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธประกาศตัวตนของศาสนาพุทธความเป็นศาสนาพุทธทำประกาศความเป็นศาสนาพุทธของท่านวัดศาสนาของท่านเป็นอย่างนี้เลยพระเทศกันแรกท่านก็ประกาศเลยความเป็นการมาสุขขาทีกิดการโยกหรือความเป็นอัตต์กิเลมานาโยกสองส่วนสุดเรียกว่าอันตาคือส่วนสุดหรือส่วนตรงหรือส่วนปลายหรือชายมันหรือเขตที่มัน มันมันไม่ได้อยู่กลางท่านตรัรสภาษาสวยมากท่านตรัสโดยสตว ส, สองสารองอย่างเราไม่ยินดีในส่วนสองอย่างแล้วท่านก็บอกว่าไอ้คาว่าส่วนสุดสองอย่างนี่แล้วก็มีคำว่าวมัชิ ม, ม า, าตรากามะสคาลิกะนั่นก็คือโลกีอัตตาก็คือโลกีเท่ากับท่านประกาศโลกุตระกับประกาศ อเทวนิยมนในสูตรนี่เท่ากับท่านประกาศว่าศาสนาของเราเป็นนวัตกรรมเป็นของใหม่ท่านเกิดมาประกาศศาสนาปังพุทธสรุรุเป็นพุทธเจ้าก็ประกาศตั้งแต่ธรรมบทแรกเลยบอกว่าเป็นของใหม่เป็นนวัตกรรมเพราะไม่เหมือนกับศาสนาเทวนิยมของเราเป็นอเทวนิยมคืออัตตากิลมัฏมิถานุโยคเนีะนะ่ยคือการประกาศอัต ล้างอัตต า, าการประกาศบอกว่าพวกเราไม่ได้ไปทรมานตนเองไม่แต่ไปทําบากลําบนไปแล้วก็ยึงจมอยู่ในอัตตานะอนุโยคะแปลว่าความภาคเพียรหรือการประกอบตนนะอนุโยคะกิลมัฏแปล ว, ว่าลําบากมันลําบากมันเดือดร้อนนะมันไม่ไม่เป็นสุขนะมันหนักมันเหนื่อยเน็ตเหนื่อยลําบากเน็ดเหนื่อยทรมานอะไรก็แล้วแต่กิลมัฏ คือคุณจะปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่คุณปฏิบัติแล้วจะหนักหนาสาหัสอย่างไรกิลมัฏะปฏิบัติมาหนักหนาสาหัสลําบากลาบนแต่เสร็จแล้วก็ไม่พ้นอัตตาไม่พ้นความเป็นอัตตานี่ยคือการประกาศลัทธิที่ทําลายอัตตาคืออนัตตาเพราะจากนี้ไปท่านก็อธิ ป, ปริยาเยสุเลยก็ อนัตตลักษณอัตลตันตนักลักษณสูตรท่านโลเทสสูตรต่อไปก็สุดท้ายจบอนัตตลักษณะสูตรก็พระกนัญญาเขาเป็นอรหันแล้วนะก็คือประกาศให้รู้ว่าล้างอัตตาเป็นอเทวนิยมและเป็นโล ก, กุตระเพราะท่านไม่ให้โตงไปข้างไหนเลยในส่วนกามในส่วนอัตตาสองด้านคือเป็นการโตรงในสองด้านมันจะไปอยู่มีชายปลายอยู่เชิงไหนก็แล้วแต่ แต่เขาไปแปลกันว่าเป็นความสุดตรงสองอย่างก็คือไปลงงมงายอยู่กับกามกับไปจมทรมานตนเองมาไง น, นนะไปทําอะไรอะไรตัวเองไปทรมานไปนอนบนน้ําไปอดข้าวอดน้ำจนกระทั่งอะไรไปทําอะไรอะไร ต, รา ต, ต่างๆเดาไปเรื่อยคนที่ตีความเดาไปซึ่งเป็นการเดาตีความเดาแล้วก็ประกาศบัญญัติเออไม่ใช่แล้วก็ เมื่อตีความแล้วเสร็จก็ตราคําพําแปรหรือความหมายของการสุดตรงสองข้างไว้อย่างนี้และทุกคนเนี่ยพวกเราเข้าใจกันอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเข้าใจว่าสุดตรงสองอย่างนี่คือเรื่องหยาบเจ้าคนหลงในกามหยาบกับอัตตาหยาบไปทรมานตนเองความจริงไม่ใช่พระเจ้าท่านเปิดฉากสูตรนี้ท่านสอนพระ ป จ, จวกขีห้ารูปใช่ไหมและปัจจวกขีห้5รูนี่ไปทรมานตนเองไหมไม่เลยไม่เลยเข้าใจไหมในบริบทที่ท่านทำงานในขณะที่ท่านสอนปั จ, จวกขีนั่นะคือมีบริบทหนึ่งที่ท่านสอนปั จ, จวกขีไม่ได้มีเรื่องของการไปทรมานตนเองไปอดข้าวอดน้ำไป นอนในน้ำในไหนไปกังกิงเก่งๆๆๆๆๆๆๆกงกอ ย, ยืนขาเดียวเหนี่ยวลมผมฟ้าทำอะไรทรมานสารพัดที่จะทรมานในในในขณะนั้นน่ะมีพวกปฏิบัติธรรมทรมานตนเองอยูเยอะเลยอ่าแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนปัจจวิคิปัจจวิคิไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นเลยอ่า ท่านสอนให้รู้จักอัตตาประกาศหนึ่งความตรงข้างไปกามสองไปข้างอัตตาเป็นการประกาศให้รู้ด้วยคําที่สวยสละสรวยไม่กระทบกระเทือนพวกที่ถืออัตตาในเทวนิยมในพวกอัตตาท้งนั้นอาตมันปรมาตมันอัตตก็คืออัตอาตมันภาษาสะสกฤตปรมาตมันก็คือเทวนิยมก็คือพระเจ้าปรมาตมันก็คืออัตตาใหญ่หรืออาตมันใหญ่ที่หมายถึงพร ะ, พระเจ้า เป็นัที่พระเจ้าเป็นรัตที่อาตมันหรืออัตตาทั้งนั้นรพระพุรุเจ้าตรประกาศตอนแรกเลยประกาศเลวของท่านไม่เหมือนใครเป็นนวัตกรรมดังที่กล่าวแล้ว <c oughs> และท่านก็สอนต่อไปในธรรมจกรักรกับวารณสูตก็มีให้พิจารณาจนกระทัง่งสองตรงสองอย่างเนี่ยไม่เป็นไปเพิก นิพพานสรุปแล้วก็คือไม่เป็นไปเพื่อ น, นิพพานท่านประกาศนิพพานทันทีในธรรมจักกัมพันธสูตรเนี่ยได้ก็ประกาศมรรคองแปดประกาศการปฏิบัติมรรคองแปดในธรรมจักกัมพันธสูตรเนี่ยทันทีนะเท่ากับสรุปรวมาศาสนาพระเจ้าไว้สั้นที่สุดก็คือธรรมจักกัมพันธสูตรไม่ยาวในะส่วนนี้ไม่ยาวเลยในส่วนนี้ไม่ยาวสั้นๆแต่ออืถ้าไม่รู้แล้วก็มันก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรมาก แต่ความจริงแล้วศาสนาพุทธอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยศาสนาพุทธอยู่ในธรรมจักรบรมนัสูตรนี้ทั้งหมดเลยสรุปย่นย่อแล้วก็บอกถึงหัวใจเลยนะหัวใจพร้ศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อปฏิบัติมรรตองแปดรู้จักอริยสัจสี่มีทางปฏิบัติมีมรรตองแปดที่ชัดเจนแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตลอดเวลา เพราะฉนั้นทําในทมข้ออริยสัจสี่เนี่ยก็มีมรรคองแผ่อยู่ในนั้นแล้วเพราะงั้นเราเราจะต้องรู้เลยว่านี่เรากําลังหลงสุขหลงกามมาสุขคลิกะกามก็ไม่ได้ไปแปลว่าเรื่องผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นหลงกามในตาหูจมูกดินกาย น, นี่เป็นเรื่องของกามะภพสมอัตตานี่ยก็คือเรื่องของรูปะภพอรูปะภพ เราก็ต้องละล้างทั้งสองด้านอันหนึ่งภายในอันหนึ่งภายนอกกามเราถือว่าท่านตัดไว้แบ่งไว้เป็นการมงคลห้าเป็นอายตนะห้าเครื่งนอกส่วนอายตนะในก็พิจารณาอีกด้านหนึ่งสองส่วนนะตรงสองส่วนไม่ได้ทั้งสองส่วนนะ เพราะอายตนะเราก็ต้องรู้ว่าที่มันยังติดต่อกันอยู่นะนี่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายและก็มีใจแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งในอายตนะในะมันยัง ก, อาาก่ออัต tag ่ออะไระอะไรอยู่ถ้าเราทุกวันนี้เรารู้ไปยัก็ตั้งถึงอัตตามันมีทั้งสอย่างมีทั้งโอราริกะอัตตามีทั้งมโนโมยอัตตาอรูปอัตตามโนโมยอัตตาก็ไปปั้นจิต ที่จริงรูปประชานรูปประชานกมโนโมยอัตตาเนี่ยไปสร้างรูปหลายคนสร้างรูปนะรูปมีแต่เป็นรูปไปจริงๆเลยนะแล้วก็เรียกอุกหานิมิตอะไรนิมิตสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังไม่เคยเห็นว่าอยู่ในพระตรปิฎกแท้เลยนะว่าอุกหานิมิตอะไรนิมิตนะบริกรรมนิมิตอุกหะนิมิตแล้วอะไรปฏิภาคนิมิตอะไรเนี่ย อันตรายังไม่เคยเห็นในพระธรรมปิฎกแต่พูดกันมากสอนกันมากในอัตถกาถาจาร์ในดีกาจารย์ในอะไรต่ออะไรเนี่ยเอามาขยายความก็เป็นศรรับเขาที่จริงดีกาจารย์อัติตถกาถาจารย์เขาก็ใช้ภาษาบาลีทั้งนั้นแหละในหลักในบันทึกเดิมเนะี่ยใช้ภาษาบาลีมาทั้งนั้นเพราะงั้นก็เลยมันมันก็เป็นภาษาบาลีมาทั้งนั้นนะเพราะงั้นจะเป็นอุกกาฮานิมิกก็เป็นของ นั่นแหละของดีกาจานอัตถกาถาจา์ทั้งหลายแหล่นั่นแหละว่ากันมาเขียนกันมาบรรยายกันไว้เขาไม่ได้พูดภาษาไทยหรอกเ็าไปสั์ภาษาบาลีทั้งนั้นแล้วก็ฟังภาษ า, า, ษาบาลีเราก็นึกว่าเป็นของพระพุทธเจ้าหมดอาตมาก็ยังไม่ได้ตรวจสอบหรอกนะว่ามีหรือไม่มีแต่จะมีหรือไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเรามาพูดถึงตัวสําคัญของความหมายความจริงนะเมะื่อเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะจะให้เกิดบริกรรมนิมิตให้เกิด อ่าอา่ไม่ปฏิภาคไม่ไม่ใช่ปฏิภาคก่อนอุกขหานิมิตแล้วก็ให้เป็นปฏิภาคนิมิตขยายเป็นปฏิปฏิภาคนิมิตอะไรก็ตามก็ได้เป็นความหมายที่ดีเหมือนกันนะบริกรรมก็หมายความว่าตอนแรกเลยที่เราเริ่มต้นเราจะใช้อะไรเป็นจุดที่เราจะอาศัยเห็นอะไรแล้วว่าเป็นเครื่องหมายก็เราก็เอาไอ้สิ่งที่เราพิจรนารณานั่นแหละ เราจะพิจารณาการมพิจารณาอัตตาเป็นต้นนะมันเป็นเป็นเรื่องที่มันก่อให้เกิดกิเลสสองด้านสองฝ่ายนะจะมียาบมากขนาดไหนก็อยู่ที่ของเราของใครของมันได้หรากพิจารณาให้มากหรือว่าโอ้มันจะเป็นตัวตนก็คือมันเป็นบริกรรมเป็นจุดของเราเสร็จแล้วเราก็พยายามที่จะเรียนรู้ตัวมันนยา ยาตาปริญญาเรียนรู้มันชัดจับให้มันชัดๆว่าเราพิจารณาอ่านนั้นเนี่ยเมื่อเราผัสสะต่อตาหูจมกูกลิ้นกายหรือแม้แต่อยู่ในใจเองมันก็มาเกิดนิมิตมันก็มายังมาหลอกมาล้อนมันก็ยังอะไรเราก็จะต้องตามนิมิตเหล่านั้นแล้วก็พยายามพิจารณ า, ย า, ยาให้มากเมื่อเรามีปฏิบัติสังวรประธานประหารประธานนะมีตีรณาปริญญามีประหารป ร, ร, ปริญญาอยู่ในตัว ส่งให้เกิดความจริงเกิดความรู้นี่เป็นความรู้ที่เราจะต้องทําให้เกิดปริญญาให้เกิดความเจริญทางความรู้เพราะเรารู้ความจริงว่าเออเราในเนื้อมีชีวิตอยู่เนี่ยปฏิบัติมก 8, ักองแปดดัมบิก็ตามพูดก็ตามการทําการงานทํามนุษย์ในนี้อยู่อะไรก็แล้วแต่มีอิริบทต่างๆอยู่ก็ตามมีอาชีพอยู่ก็ตาม เราก็พิจารณาอามีจิตใจเนี่ยมีตัวยานปรราัญญามีปริญญาให้เกิดปริญญามีสังวรประทานประหานประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานอ่าด้วยจิตใจที่มีอิทธิบาทมันไม่ยินดีก็จะต้องเอ้ไม่ได้นะเราไม่ยินดีเราจะทําอะไรถ้าเราไม่เป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็ปล่อยปละละเลยชีวิตปล่อยให้เป็นสวะของวัตถสงสารไปตามเดิม มันก็เผลอมันก็ปล่อยเสพไปเสพน่นเสพนี่ไปตามเรื่องใช่ไหมอ่ามันก็จะเสพอ่าเศพตามอารมณ์ได้อะไรเจออะไรจะยินดียินไดอะไรวกับเอียงไปอยู่เรลยอ่าไม่เกิดไปไปสะสมราคะกับสะสมโทสะอ่าไม่งั้นก็สะสมโมหะเลยเมาไปกระมันเลยโมหะนี่เมาลงไปตามเรื่องล ง, ลงนั่นหลงนี่ไป เขาว่านอนดีก็น่าดายน่ามีหน้ า, นาเป็นไปเรื่อยยืดเข้าไปในจิตเป็นอุปทานใส่เข้าไปเรื่อยจิตเราก็สั่งสมแตกกิเลสตัณหาอุปทานไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราพิจารณามันอยู่เรื่อยอา่านมันเป็นนักปฏิบัติธรรมที่จะต้องไม่บกพร่องไม่พิจารณาให้มากเนี่เป็นความไม่แล่นไปจิตไม่แล่นไปเพราะเราก็จะต้องอยู่กับสิ่งที่มันกระทบสัมผัสแล้วตามที่ได้ อธิบายฟังมาหลายบทหลายสูตรนะมิจฉาทิฏฐิสูตรก็ดีสัตกายทิฏฐิสูตรก็ดีอัตานุทิฏฐิสูตรก็ตามก็พิจารณาให้มันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงและก็ไม่เที่ยงสองอย่างไม่เที่ยงชนิดโลกีกับไม่เที่ยงชนิดโลกุตระ หรือไม่เที่ยงในชนิดส ม, มุติสัจจะกับไม่เที่ยงในชนิดปรมัตถสจัจจะนะเห็นความไม่เที่ยงที่มันเกิดความไม่เที่ยงตามอำนาจกิเลสนั่นแม้ความว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมที่มีพลมิจฉาทิฏฐินะเห็นความไม่เที่ยงตามอำนาจกิเลสว่าเราสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันเอาตัวเราไปกินเราไม่เที่ยงกิเลสเรามันฟูใจเราเอามันไม่ลง อแพ้มันต้องมีทีแพ้หรือใครไม่เคยแพ้กิเลสยกมือขึ้น้าไม่ได้สักคนเลยเหรอไม่มีหรอกไม่มีใครไม่เคยแพ้กิเลสเคยแพ้กิเลสทั้งนั้นอาแพ้ก็แพ้แต่เรารู้ความจริงนัเป็นพลมิจฉาทิฏฐิที่ตัวเรารู้ตัวเราว่าโอ้เรานี่แพ้กิเลสนะคือมันมีญาณอ่านเห็นน่ะมันมีญาณก็เราอ่านรู้ตัวเราแพ้กิเลสเราก็รู้ตัวเราได้พิจารณาเสมอ พิจารณาอารมณ์พิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมในธรรมเราได้พิจารณาเสมอที่อาตมาพูดไปแล้วเนี่ยนะอริยสัจสี่ก็มีเรามีนะโพชฌงเจ็ดมีไหมมีนะคุณปฏิบัติให้มีสติสัมโพชฌงใหมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงใหมีวิริยะสัมโพชฌงให้เป็นสัมโพชฌงใหได้น ะ, ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวธรรมะและมรรคองแปดเราก็ไม่ได้ทิ้ง อยู่กับชีวิตเราโพชงเจ็ก็อยู่กับชีวิตเราอายตนะหกบอกแล้วนอกในก็อยู่กับเรารู้จักอายตนะตาหูจมูกดินกายของเรายังทํางานเต็มนะแล้วก็มีใจส่วนใ น, ส, น, ในส่วนนอกพิจารณานอกพิจารณาในพิจารณานอกพิจารณาในพิจารณาให้หาเข้าในพาราชนั้นสติปัฏฐานสีทานายพิจารณาเข้าหาเข้าไหนกายในกายเวทนาในเวทนาคือเจาะลึกลงไปเรื่อย จิตในจิตทำในธรรมเจาะลึกลงไปเรื่อยในเนี่ยหมายควาว่าในก็ไปมณสิในจิตในจิตจิตนั่นแหละเป็นหลักไม่ใช่เจะออกไปข้างนอกเวรงวางไปไหนไหนไหน ๆ, ๆแต่ก็ไม่ได้หมายควาว่าเราจะตกหล่นที่เรามีสติสัพชัญญะอยู่กับอะไรทั้งข้างนอกทำอะไรก็ตกหล่นพิจราจรณาในในในเลยตกพวังเลยเข้าไปอยู่ในพบข้างนอกเป๋เลยทาเครื่องมือเครื่องมือก็ นี่เอามือขาดทําอะไรกับใครก็ไม่รู้เรื่องข้างนอกไอ้นี่มันมันสติมไม่เจริญมันก็ต้องรู้นอกรู้ในตามจริงแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นจิตที่ได้ฝึกฝนชาญลืมตาเนี่ยมันจะค่อยๆเก่งก็ก็ชํานาญขึ้นค่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยแล้วก็จะอ่านเร็วอ่านทันมีธรรมวิจัยมีตีรณปริญญาที่เก่งเชี่ยวชาญขึ้นเรื่อยๆ นะมีการวิจัยมีการแยกแยะแบ่งโ่ น, นแบ่งนี่แม้แต่เวทนาในเวทนาถึงร้อแปก็จะเออเข้าใจนี่มั น, มนตอนนี้มันเป็นสุขเวทนาทุกเวทน า, ท า, ทนาแล้วเป็นสุขโลกีด้วยนะนี่เราเนี่ยเพลอพ ร, อพรายไปเรื่อยเราก็จะพยายามไม่เป็นลหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นทําให้เราติดยึดเราพิจารณาให้มากจริงๆว่ามันทำให้เราติดยึดออจริง ๆ, ะงๆนะเนี่ยวันนี้เนี่ยดูสิไอ้นี่อดไม่ได้นี่กินอร่อยเนี่ซัดเข้าไปแล้ว แต่วเรก็หลงไหลติดใจต้องพิจารณามันจะผ่านไปแล้วก็ตามหรือยังไม่ผ่านยิ่งกําลังปัจจุบันนี้เอาดีไม่เอาดนีนี่กิเลมันอาจจะเอาแล้วเนี่ยจะเอาแล้วนี่มันความหลังมันมากระซิบแล้ว่านี่อร่อยนะชอบนะอย่างนี้นะมันของชอบนะพิจารณาจริงๆคําว่าพิจารณาเห็นไหมสําคัญไหมแล้วคิดดูได้ว่าพวกเราเนี่ยมันตกหล่นพิจารณาไปเท่าไหร่ มันลืมมันเผลอตัวไปแล้วมันไม่พิจารณาแล้วมันรอเลยแล้วในว่าท้งตาในว่าทางจมูกทั้งลิ้นทางกายมันเอาไปแล้วไอตัวพิจารณาหายไปไหนไม่รู้ <c oughs> ไม่ทันพิจารณามันไม่อยู่ เ, เพราะนั้นต้องเอาอัศวินคู่ใจไว้ที่ตัวเองคือตัวพิจารณาอัศวินคู่ใจพิจารณาให้มาก คำนี้ลึกซึง้งและจริงความถ้าปฏิบัติเอามาปฏิบัติได้จริงจิตย่อมแล่นไปความเลื่อมใสย่อมเลื่อมใสแน่นอนทาทนริวุจเจ้าตัณไว้โอโหสละสลวยตรัสไว้สั้นๆแต่โอโหยิ่งกระหมัดของไม้ไทยสั้นเลยมัดหนักมากนะใช่ไหมฟังดีๆแล้วเอาไปทำให้มันเกิดสภาพฟังแล้วเอาไป ตามตัวเองดูเออเราพิจารณาน้อยจริงๆนะเพราะเมื่อพิจารณาน้อยมันก็ย่อบจิตไม่แล่นไปไ ม, ไ, ไม่เลื่อมใสไม่เริญไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาแต่ถ้าเราได้พิจารณาจริงมันก็จะชัดเพราะงั้นตัวตลักหลั ก, ลกนิวรธานี่ยแหละเป็นตัวกิเลสที่จะอยู่ในใจเราแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเราใช้มันหมดเลย ธรรมะของเรานะ่ยมันมีรูปรูปตั้งแต่สิ่งที่ถูกรู้ตั้งแต่รู ป, ปรธรรมวัตถุจนกระทั่งถึงรูปในจิตเป็นรูปประจิตเป็นรูปสิ่งที่ถูกรู้อ่านออกตัวถูกรู้ก็เป็นตัวรูปมันไม่รู้เรื่องหรอกตัวถูกรู้ตัวรู้มันมีซ้อในใต่างหากจิตกับจิตอ่านจิตในจิตอ่านเวทนาในเวทนาเวทนาก็เป็นเรื่องของจิตอารมณ์อาการของเราเมื่อเรามียกจิตขึ้นอีกเป็นปัญญายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนา ก็คือจิตมันจะมาเห็นจิตนะอัตมาทำเป็นมือสองมือสองมือแต่จิตของเราเองนะจิตของเราจะเห็นจิตจะมันมีญาณตัวจิตตัวหนึ่งก็คือญาณปัญญาของเรานะมันอยู่ไหนไม่รู้อ่ะคุณฝึกขึ้นมาคุณก็ต้องรู้ว่ามันเออมันมาพยายามอ่านอ่านจิตของเราเองไอ้จิตของเราเองที่มันเป็นเวทนาก็ตามมันเป็นจิตก็ตามหรือมันเป็นกิเลสก็ตาม มันเป็นสราคะสะโทสสะโมหะอย่างไรก็ตามนะเสร็จแล้วเราก็มียาอีกอันหนึ่งอ่านเห็นอ่าเห็นแล้วมันมีรูปกับนามมันมีตัวหนึ่งถูกรู้มันอีกตัวหนึ่งเป็นนามเป็นตัวรู้อันหนึ่งเป็นาธาตรู้อีกตาหนึ่งตัวหนึ่งเป็นาธาตุจิตเหมือนกันแต่เป็นาธาตุจิตที่ถูกรู้นั่นอาตมาอธิบายว่าในคนคืออะไรมันไม่ใช่วัตถุรูปแล้ว มันเกี่ยวเนื่องกันก็ใช่เราก็พิจารณาตามว่ามันเป็นตัวเหตุต่อเนื่องกันเข้ามาหาอาญตนะแล้วก็เข้ามาสู่จิตของเราเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขาร น, นะมันเป็นยังไงมันปรุงแล้วนะอกําหนดรู้ให้ชัดอารมณ์เวทนาตัวโดยเฉพาะตัวเวทนาในพิจารณาถึงร้อยแปดวิเคราะห์วิจัยออกจกกนกระทั่งชัดเจนว่าเออเราได้เรารู้แล้วเวทนาร้อยแปดนี้เรามีภาคปฏิบัติของเราได้ทำนะ ตั้งแต่กายมาจากกายเป็นกายยิกะเวทนาหรือเจตสิกะเวทนาาจากทางใจของใจเองเจเจตสิกะเวทนาหรือของกายนี่เวทนาสองเวทนาสามมีสุขทุกอุเบกขาหรืออุทกมสุขเราก็ได้รู้แล้อารมณ์อย่างไรอารมณ์มันนี่มันอารมณ์กําลังระเริงสุขเลยเนี่ยสุขด้วยกามหรือสุขด้วยอัตตาก็ตามใจคุณเถอะ คุณต้องอ่านให้จริงอ่านของคุณให้ชัดของคุณจะเป็นอาตมาไม่ได้ตามที่จริงๆบอกว่าตามใจในจำนวนพาไปไม่ได้ตามใจจะไปตามใจตัวเองนะักมันหลงสุขหลงทุกข์อยู่ไม่กํลาลังรู้เราก็รู้เวทนาสามทีนี้ก็รู้น้ําหนักของมันสุขเวทนาทุกขินซสุขกินซทุกขินซีธอมนัสสินซสมมนัสสินซีอุเบก ข, ขินซีขข น, ซขข น, ซน้ําหนักของมันเท่าไหร่แยกเราเป็นสุขเป็นทุกข์ ข้างนอกข้างในโสมนัสหรือสุขโทมนัสหรือทุกเกี่ยวกับยาบเกี่ยวกับข้างนอกข้างในเกี่ยวกับกายิกะเกี่ยวกับเจตสิกะแล้วมันก็มีน้ําหนักเท่าไหร่สุขทุกนี่ขยายความเป็นน้ําหนักเป็นความแรงความเบาโอ้มันยังล่อสุขอยู่มหาศาลเลยเนี่ยอสารเลยเนี่ยแหมคลแม็กซ์ยังมัน อ่ายังสุขสมใจโอ้โหวันนี้นะ่นี่ว่าตอนนี้ทุเรียนออกแล้วกินทุเรียนซะให้สะใจมไม่ลูกนี้มาโอ้โหเนื้อมันไม่กาลังเหมาะเลยบางคนชอบแบบเอปราด้วยนะอโอ้โหกําลังเป็นปราอย่างดีเลยออืืแล้วแต่สะใจใครแม็กซ์ได้สมใจโอ้โห ว, วันนี้กินซะถึงเลย นะอะไรก็แล้วแต่จะกินทุเรียนจะกินน้นกินนี่จะอะไรก็ตามใจเถอะพัดมันสัมผัสตาหูจมูกลินกายคุณก็พิจารณามันให้รู้สุกรู้ทุกข์รู้น้าหนักโอโหในเราอย่าหลงสุขมีอาการสุขเนี่ยยังมีอัศร์ทะแรงอยู่นะรสชาติมันยังแรงมันยังอร่อยแรงอร่อยมากหรือมันยังทุกข์มากโอ้นี่เราฝืนมากทุกข์มาก ลำบากมากพาให้เราทุกข์มากมันก็สุกสุทุกๆุสองตัวเนี่ยมันไม่หนีจากกันมันคืนเดียนสองด้านของโลกีเนี่ยพิจารณาถึงน้ําหนักของมันอินทรีย์กับน้ําหนักนอนนั่งมาจากถวาวรทั้งหกนะใครเข้าใจได้หมดได้อย่างเนี่ยเวทนาทั้งร้อยแปดเนี่ยมันไม่น่าจะรู้เรื่องมันไม่น่าจะจําได้นะจำได้ไหมอะไรจาไม่ได้เหรอ อาตมาว่าไ ม, ไม่ไม่ต้องจำนะมันไม่ต้องจำหรอกมันความหมายก็มันชัดๆอยู่แล้วเนี่ยไล่มาเนี่ยอินทรีย์ก็คือน้ำหนักของมันมีสุขมีทุกแบ่งเป็นสมนัติรมมันนแบ่งเป็นสมมันแบ่งเป็นสีแล้วก็อุเบกขาอุเบกขินรีนอกจากก็ไล่มาทำมันก็คือเวทนาทั้งหมดนะ่ะมันไม่น่าจะจำไม่ได้จากกายจากจิตแล้วก็ไปแบ่งเป็นไอ้หลักๆก็สมนี่แหละเวทนาสามนี่หลัก เวทนาหลักๆเลยก็คือความหลงสุขหลงทุกข์อุเบกขาอุเบกขาอย่างโลกีก็คือมันเฉยมันไม่สุขไม่ทุกข์หรอกมันพักยกหรือมันอิ่มแล้วมันก็เฉยมันเสพสวาปามก็ไปสมใจแล้วมันก็พักยกขอเฉยมันไม่รู้ไปชี้เขาอร่อยไม่อร่อยมันไม่ยินดียินได้แล้วมันตื่นมันอิ่มอะหรือมันพักเฉยตามธรรมชาติไอนี่เป็นโลกี แต่เฉยอัตุกรรมสุขของพระเจ้านะ่ะคือมันปฏิบัติไม่สุดโต่งทั้งสองด้านแล้วไม่มีไปกาไม่มีไปอัตตามันเป็นกลางกลางมันไม่สุขไม่ทุกข์มันเฉยเฉยมันกลางกลางอุเบกขาพระพุทธเจ้าท่านใช้ภาษามัชชิมากลางเพราะให้ปฏิบัติให้มันปรับปรับคำด้วยคำว่ามัชชิมาปฏิปทานในกินความทั้งในภาคที่กําหนดของตนเองว่าเอาให้พอเหมาะพอดี อย่าเอาให้มันทรมานหนักเกินไปอย่าให้มันมากไปหรือน้อยไปแต่ต้องให้ตั้งตนอยู่บนความลำบากในขณะปฏิบัติไม่ใช่ไประเริงอยู่สบายสบายเบาๆยะถาสุ ข, ขัังนั้นไม่ใช่หลักหลักของท่านต้องให้มาทุกขายะอัตตานังตนตั้งตนอยู่บนความลำบากอยู่ในฐานะต้องมีฝืนมีตัวได้ได้ปฏิบัติ อยู่ในขณะที่ไม่ไม่ประมาณไม่ระเริงนะถ้าไปเราปฏิบัติตามสมบายมันระเอองแล้วนี่ก็เป็นการจัดมัดชฌิมาปฏิปทาให้แก่ตัวเองว่าความพอเหมาะพอดีนั่นคือของเราขนาดนี้แหละนะตั้งตนอยู่บนความลำบากขนาดนี้มีศีลมีอธิศีลขนาดนี้มีอกรรมฐานขนาดนี้ถ้าเราไม่มีปลอยไปเรื่อยไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรเลยเป็นสวะแห่งวัตฏสงสารมันก็เละเทะไปชั่วชีวิต แต่ถ้าเผื่อว่าเราเองสังวรระวังรู้จักกําหนดให้แก่ตนเองแล้วก็ปฏิบัติจริงๆนะเมื่อมีทำในธรรมปฏิบัติทำในธรรมมีสติปัฏฐานมาจะปฏิบัติ ท, ต ท, ตทั้ง4ทั้งกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตทำในธรรมมันจะใทายแต่นั้นไม่ใช่ว่าพิจารณามีอาจารย์หลายอาจารย์บอกพิจารณาเฉพาะกายในกายก็ได้กับบรรลุอลหรหันต์พิจารณาเวทนาในเวทนาก็ได้บรรลุคือแบ่งส่วนเนี่ยธรรมะแบ่งส่วนมือนหมอประเวชชอบว่าบอกพวกที่แบ่งส่วน ตัดส่วนไม่ได้ของพระพุทธเจ้าต้ององค์รวมองค์รวมทั้งหมดนั่นแหละโพธิปักขีจะทำจริงๆล้วนหมดนั่นแหละต้องอยู่ในนั้นหมดนะมีบริการทั้งหมดนั่นแหละอินทรีห้ามันก็มีมันก็เกิดตามธรรมพระห้ามันก็เกิดตามธรรมโพธิชงเจ็ดอริมัดองแปดมันมีหมดใช่ไหมเราใช้หมดโพธิปักขีรำเนี่ยเป็นองค์รวมใช้หมดสติปฐานสี่ใช้ทั้งสี่ ทั้งสี่เลยนะพิาจรารณาวิเคราะห์วิจัยหานิวรณ์หให้ได้นะอุปทานขันหน้าขันหน้าของเราก็ยึดติดอยู่ตรงตรงไหนอุปทานยึดติดอยู่ตรงไห น, อ, น, อ, ไหนอัยยตนะหเราก็ใช้ใช้อยู่ตลอดเวลารู้อยู่ตลอดเวลาในอัยตนะทั้ง6แบ่งนอกแบ่งในญาติธรรมอตมารตาิบาตไปแล้วโพธิชงก็มีอยู่าอานิยสัตว์สีก็มีแน่นอน ถ้าไม่มีอริยสัจสีไม่รู้จักทุกไม่รู้จักสิ่งที่พยายามลดเหตุแห่งทุกอยู่ตลอดเวลาคุณก็ไม่ได้ทำถ้าทุกคุณน้อยลงเป็นสกิทาเป็นอนนาคาขึ้นมาทุกก็น้อยลงละเอียดขึ้นทุกน้อยลงเบาบางละเอียดขึ้นเรื่องอื่นๆที่คนก็ทุกกันในโลกของอบายมุขในโลกของกามในโลกของโลกธรรมต่างๆอนนาคามีเบาแล้วทุ ก, ก็น้อย พิจารณายากขึ้นละเอียดขึ้นรูปราคะอรูปราคะมานาะอุทจจะโอเรื่องกามเหรอเชยการ ม, มากระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเชยอนาคามีก็มันไม่มีปัญหาแล้วมันอุเบกขามันอาการสามันว่างๆมันทำยิ่งทำยิ่งมัน่นแต่ก็มีสติรู้ตัวมันมารู้ไม่เจ๊เพอเจ๊ไผลมาแล้วมันก็ไม่เกิดอ่านมีรมวิจัย นะมีตัวจิตแวววายมีมุทุพูตธาทํทำงานตลอดเวลาก็เห็นตัวเองแต่ถ้าคนไหนยังรู้อยู่ว่าโอ้การมเราก็ยังไม่หมดพยาบาทเราก็ยังมีอยู่แล้วเหตุอะไรละ่ะปัจจัยอะไรที่มันแหม่มันก่อขอ้เราแรงเหลือเกินเราก็จับตัวนั้นเป็นสักกายะเอามาันเข้าไปตัวนี้ น, น, นี่ในชีวิตของเราเนี่ยจะเจอมันบ่อยนะตัวนี้โจดโจดใหญ่นะเนี่ยนะ เราก็ต้องรู้จักสําคัญมั่นหมายเอาเองสัญญาเอาเองกําหนดเอาเองว่าเรานี่แหละกำหนดกรรมฐานให้แก่ตนเองกําหนดสิ่งที่ตัวเราเองจะสําคัญมั่นหมายกับมันก่อนไม่ได้สําคัญมั่นหมายเพื่อยึดถือแต่สําคัญมั่นหมายเพื่อปฏิบัติกําหนดให้ตนเองตั้งให้ตัวเองเพื่อปฏิบัติแล้วก็าจาทำไปแล้วก็อ่านตัวเองไปว่าอะไรอีกเนออะไรอีกหนอที่เรายังติดยึด อะไรที่ได้แล้วเอออันนี้ได้แล้วแต่ก่อนนี้มันไม่ได้พิจารณาให้มาให้พิจารณาถึงอารมณ์ที่เป็นผลด้วยพิจารณาอารมณ์ที่เป็นผลเราทำได้แล้วได้มักได้ผลโออันนี้เราก็เคยได้แต่ก่อนนี้ น, นี่เราแย่จริงๆเลยแพ้มันเดี๋ยวนี้เราชนะแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับเป็นต้นฉบับเป็นโมเดลให้แกเรา โดยเฉพาะกิเลส ข, ของเราในชาตินี้เนี่มันจะชัดใช่ไหมแตก่ก่อนนี้เรามีกิเลสอันนี้เราโอ้แต่ก่อนนี้มันหนักเลยนะเนี่ยเราติดมันมากเลยเดี๋ยวนี้มันเฉยอย่างเช่นอะไเป็นตัวอย่างให้เราได้มากเลยอ๋อแต่ก่อนนี้มันอารมณ์บางนี่เนาะเดี๋ยวนี้อาตมานึกไม่ออกแล้วว่าแต่ก่อนนี้กินเผ็ดนี่มันอร่อยอร่อยเป็นยังไงลลืมละรสอร่อยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เลยเผ็ดโอ้โหมันจะไอเลย เผ็ดพอสมควรนี่เพ็ดแต่แต่ก่อนนี้มันจะอ่อนแอออกมากเลยเดี๋ยวนี้พิยามไปเคี้ยวอยู่ในะพริกเนี่ยอาตมาก็พิยามมาจะเคี้ยวเขาก็ใส่ให้มาให้มุดกันแต่บางเจ้าใส่มาซะแตะไม่ได้เลยอาตมาต้องว่าเจ้านี้เผ็ดจังเลยบางทีไม่ใช่มาเป็นเพชรเป็นเม็ดเมเมไ ม, ไ ม, ไม่เป็นชิ้นชิ้นพริกลง น, นะ อตำมาปรุงนน้ำแกงน้ำผัดอะไรมาเผ็ดมาเต็มที่แล้วอาตมาชดได้คําเดียวแล้วก็จากนั้นก็คุณตรงตั้งอยู่เฉยๆไปจนกระทั่งจบเกมกันฉันอาหารพราะแตะไม่ได้อีกหละมันแยกไม่ออกนี่มันมากันน้ํากันเนื้อเต็มคุณแจงคุณพันดมารสนั้นปรุงมาเต็มน้ําเลยแตะไม่ได้อีกแล้ว อ, อ, นน อ, ถ, อ, วอถ้าหั่นตัวพริกมาในะอาตมาก็ยังเออแกะออกตไม่เอาพริกก็เขีย่ยไว้ข้าง นนหรือบางชิ้นจะเอามั่งก็ชิมชิมมั้งเคี่ยวพริกมางนิดๆหน่อยๆไม่เช่นั้นประเดียมมันก็แย่ขนาดนั้นก็ยังทนไม่ค่อยไหวแล้วตอนนี้นึกไม่ออกจริงๆแล้วว่าเอ่อรสอร่อยมันเป็นอารมณ์มันเป็นอาการรสอร่อยกินพริกแล้วอร่อยเนี่ยมันอร่อยที่กินพริกก็ไปมันชักลืมๆแล้วอารมณ์อร่อยอันนั้นเป็นยังไงนะชักลืมๆละมันเป็นยังไงนะ พูดก็พูดแม้แต่อารมณ์กาลในกามเรื่องของเรื่องของสรีระเรื่องของกามเรื่องรสชาติทางผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างตา่ตางๆอัตมาก็ชักลืมลืมนะเอ้มันแต่ก่อนนี่ก็ว่าพอจําได้เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มันชักลืมๆืมละมันนานมาเอ้มันก็ยังไม่นานอายุยังไม่ถึงถึงร้อยมันชักลืมไปแล้วนะหนุน่มๆก็ยังรู้จรู้จักยังเข้าใจยังมีอาการอารมณ์อย่างนั้นโลกร ก, ก็เป็นโลกจินี้เออ เอพอลดมาได้ก็รู้สึกว่ามันก็เออลดมาก็รู้ว่ามันลดแต่มาถึงวันนี้แล้วนี่ก็ยังไม่ยังไม่แก่เลยยังไม่ถึงครึ่งอายุนันี่เพิ่งเจ็ดสิบย่างยังไม่เจ็ด้าเจ็ดสิบ้าถึงจะครึ่งนะอมันชักจะลืมลืมแล้วนี่ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงอธิบายจริงให้ฟังเราพิจารณาผลด้วยเราจะได้เห็นว่าอ้ออุเบกขามันเฉยเป็นอย่างนี้มันกลางมันว่างๆว่างๆเป็นอย่างนี้ มันไม่ตรงไปหลายด้านมันไม่ไปเอียงตรงไปข้างเออเป็นกลามเป็นอัตตาแล้วก็ไม่ยึดไปติดเราไม่ไปเอาไปเบ่งไปข่มใครใครเขามีก็เข้าใจเขาเขายังเหลืออยู่อะไรก็เข้าใจเขาเอ่าเขาอธิบายฟังก็เข้าใจอ๋องั้นงั้นเออก็พยายามทำอย่างนี้ให้มากก็อธิบายช่วยเข้าไปมันเป็นของจริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอารมณ์พวกนี้หรือสิ่งที่เกิดเป็นกิเลสตันาอุปาทานพวกนี้มันเป็นของจริงและมันก็ล้างได้จริง เราก็จะรู้ว่าโอ้ธรรมะของพระพเจ้านี่เป็นของจริงมีจริงปฏิบัติได้จริงและเราก็จะรู้ตัวเราว่าเราทำได้แล้วเราเป็นอาริยะนะเราปฏิบัติกิเล่มันลดจริงๆนะนะมันลดจริงๆเราก็จะรู้ว่าเราจเจริญเราเป็นโสดาส ก, กิทาอนาคาอะไรมาขนาดไหนก็ค่อยๆใช้สูตรทิพุเจ่าวนว่าไว้แนละ้ว่าตรวจสอบนะตรวจสอบอ่านความจริงมาเอา สังโยชน์สิบเป็นหลักก็ได้หจะเอาอารมณ์ของเอาเจโตปริญานสิมาเป็นตัวหลักในการวัดก็ได้เออตอนนี้เราจิตเราขนาดไหนแล้วเนี่ยมันยังอยู่ในระดับโอ้โหยังหนักอยู่เลยนะเนี่ยยังเป็นสังกิตตังวิจิตตังอยู่นะเอาให้มันจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นแล้วเออดีขึ้นมากกว่าเก่าแต่มันก็โอ้โหยังหยาบอยู่เลยมันได้ดีขึ้นกว่าจริงอยู่สัอุตรคตก็จริงอยู่แต่โอ้ยังไกล ยัางกาสมาธิอย่างกลวิมุตย์ยังเห็นจะชัดอยู่เลยแต่มันก็เบาแล้วล่ะมันไม่หนักเหมือนกับแม่มันยังสังกิตตังวิกิตังอยู่เมือนก็บคันตอนนั้นยังโอ้โหนี่ถ้าปล่อยไม่ได้เนี่ปล่อยมันจะย้ำเยอะไปเลยเนี่ยสังกิตตังมันพอได้มันรู้แล้วล่ะว่าลดได้อย่างไรปฏิบัติถูกทางแล้วแต่เรายังไม่ได้ทําให้มากเพราะนั้นทำขึ้นไปอีกกลาเป็นมหาคติให้เจริญขึ้นไปจนกระทั่งดีขึ้นดีขึ้นแม่ดีขึ้นแล้วก็อย่าประมาทแม้ดีกว่านี้ยังมีอีก จิตที่ดีแล้วแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกซาอุตระนี่อัตมาก็พูดถึงตรงนี้และชมเชยคําแปลที่ท่านแปลสะอุตระจิตทุกทีเจ้โบราณอาจารย์ท่านแปลไว้ว่าเอ effective. อจิตที่ดีแล้วแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกเออมันชัดนะมันมันยังไม่สมบูรณ์นะเรารู้ตัวเราว่ามันยังไม่หมดมันยังเหลืออยู่มันยังมีกิเลสอยู่ดําเรืองอยู่แม้ว่าเราจะรู้ของเรามันเหลืออุปราคาหรืออูปราคะก็ตามเราก็รู้เขตแล้วว่าอืมมันไม่ละมันไม่มีแรงไปออกทางนอกละ นายมันไม่เอาแล้ะทางนอกมันไม่เอาจริงจริงมันไม่ล่ะ้างนอกมันไม่เป็นต่อหน้ารับหลังมันก็ไม่เอาแล้ะเพราะมันไม่ไม่อยากมันไม่ไม่เอาแล้ะแต่มันก็ยังมีกำไรกำไรรูปราคารูปราคะมันยังเอ๊ยยังมีเนี่ยเราก็จะอ่านรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวพระเจ้าะตรัสเอาไว้รูปราคะเป็นอย่างนี้อรูปราคะเป็นอย่างนี้อ่ารูปราคะในอาหารรูปราคะในเนื้อสัตว์ รูปราคะในเครื่องแต่งตัวรูปราคะในอะไรก็แล้วแต่เธอในทรัพย์สริงคารในบ้านจองเรือนชาร์ในแม้กระทั่งเป็นอัตตาชนิดโอราลิกะอัตตามโนมยอัตตารูปรอัตตาอะไรก็ตามแล้วก็จะประมาณได้นะประมาณประเมินค่าของมันได้เออขนาดนี้นี่มันแรงโยกกระทั่งอยู่ภายนอกโอ้โหนี่ข้างนอกนี่เราก็ยังต้องฝืนต้องทนอยู่นะกระทบสมัมผัสแล้ว บอกว่โอ้มันเป็นลายหรอกข้างนอกไม่ออกแล้วไม่ฟื้นไม่ทนอะไรเบาทําตัวอย่างอารหันแต่ที่จริงยังเหลือรูปราคะรูปราคะนะยังไม่หมดหรอกยังมีราไรเราก็จะรู้ตัวเราโอ้ข้างนอกไม่มีปัญหาเราไม่ละเมิดแม้แต่ต่อหน้าคนอื่นหรือรับหลังอยู่คนเดียวเราก็ไม่ละเมิดเพราะมันไม่ได้อร่อยอะไรแล้วมันไม่เป็นอัศรธาสาหรับเราขนาดนั้นดีไม่ดีจะรู้สึกหยาบกับเราด้วยซ้าไปว่ามันหยาบรังเกียจตัวเองแม้แต่รับหลังก็ไม่ไหว แล้วจะรู้สึกกินแหนงตัวเองว่าทําไมเรายังไม่หมดสักทีทําไมเรายังไม่หมดมันจะรู้สึกอย่างนั้นด้วยตัวรูปราคะอรูปราคะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันยังไม่มันนั่งอวดดิบวดดีเขาบอกอู้มันละอายมันมีฮีรีมันมีโอตาปะจริงๆมันไม่มันนั่งอยากคนที่หลงจะได้เห็นเลยอันนี้มันจะเกิดมานะอู้คุณยังหลงอยู่เหมือนยังตำเนี่ยมันจะเกิดกิจจิตไปดูถูกดูแคลนข่มคนอื่นเขาระวังระวัง จิตยังงั้นก็ไม่ดีเป็นซ้อนเป็นอุปกิเลสซ้อนเป็นมานะซ้อนนะถือดีถือตัวข่มเบ่ง ค, นะคนอื่นคนอื่นเขายังไม่ได้จะบอกว่าทุนยังชั้นต่ําชั้นสูงแล้วชั้นได้แล้วอะไรพวกนี้ระวังพวกนี้มันจะซ้อนนะเพราะงั้นถ้าบอกว่าเราเองเร า, าระมัดระวังทุกด้านไปเรื่อยๆเอาพิจารณาเห็นความจริงในอาการของจิตของเราด้วยเจตสิก ข, ของเรามันเกิดอาการเป็นไปในทางไม่ดีเป็นอกุศลจิต อกุลศลเจตสิกอยงนั้นอย่างนี้รู้ตัวแล้วก็ระมัดระวังมันจะได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาเลยชายิ่งแววไวจิตแววไวจิตมันอ่านได้เร็วแล้วก็ปรับมันเร็วคุณจะเห็นรู้สึกว่าเออตัวเราเป็นนักปฏิบัติธรรม น, ะ, นะในขณะทุกขณะในเวลาทุกเวลาเราได้ปฏิบัติตนเราได้ลดเดรัะตัวเองตลอดเวลายิ่งคนนักกิเล ย, ยังมีอยู่ยังไม่หมดมันโอมันต้องทําได้ทําแน่ๆใช่ไหม กิเลนน้อยลงแล้วก็ตามมันจะเผลอเพราะกิเลนน้อยลงน้อยลงบ้างแล้วมันจะเผลอแล้วมันก็จะไม่อ่านมันจะไม่พิจารณาอย่างลึกซึ้งต่อเพราะมันรู้สึกว่าเราก็ไม่ทุกข์มากรู้สึกว่าเราก็เบาบางรู้สึกว่าเราก็ง่ายก็เลยไปเรื่อยดีไม่ดีจะเอาแต่สอนคนอื่นนะไม่ทำของตัวเองรามันต้ลืมลืมพิจารณาให้แก่ตัวเอง ล, ลืมระมัดระวังตัวเอง จะเอาสอนแต่คนอื่นก็เลยจิตก็เลยจะออกนอกตัวหรือจิตก็อาจจะจะไปทํานาคนอื่นมา ก, กระวังนะเพราะนั้นถ้าเราได้แล้วก็ดีแล้วเราก็ต้องทําต่อไปเรื่อยๆจะให้คนอื่นก็เอาไม่ว่าอะไรแต่อย่าลืมแม้จะสอนคนอื่นต้องหัดสอนพระพุทธเจ้าทุานไ้เตือนว่าระวังเถอะประโยชน์ตนอย่าพราดพราดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากนะอย่าพราดประโยชน์ตน ประโยชน์ตนที่จะได้ก็คือลดกิเลสเพิ่มเติมขึ้นประโยชน์ผู้อื่นมันก็จะเสริมถ้าเราตะแววไหวเราทําได้ดีแข็งแรงขึ้นเราก็ทํางานได้กระมากขึ้นสอนคนอื่นได้ในขณะสอนเราก็ยังอ่านจิตของเราเป็นในขณะสอนเราก็จะบอกเคยนีิมากไปนะก็จะเกิดสัพพุริสธรรมเจ้าหัดประมาณจะหัดเรียนรู้บุคคลจะสังเกตปฏิกิริยาตอบรับนะเขารับที่เราแสดงออกกับเขาเข า, เขางี้งี้มากไปน้อยไป ก็จะมีความละเอียดละ อ, อ่เพิ่มขึ้นคล้ายๆกับเราเป็นคนมีเจโตปริยานอย่างรู้ใจเขาแม้อันนี้ น, นิดอ น, นี้หน่อยเขาเกิดปฏิกิริยาเงียแล้วมันก็จะเกิดความเิลเลวฉลาดแววไวรู้อะไรเท่าทันมากขึ้นเองโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติเพมันจะบอกว่าอย่างรู้คนใจคนอื่นก็รู้เมื่อมันกระทบสัมพันธ์มันก็บอกเราแล้วนี่แหลกๆอาจจะประมาณผิดเดาๆานิดหน่อย ต่อไปต่อไปก็ละเอียดขึ้นอีกอ๋อ น, นี่อย่าไปเทเดีดูถูกเขาอาไปเทเดอั น, นิีจริตของเขาอันนี้บุคลิกของเขาจะเอามาเป็นตัวพิจารณาไม่ได้บุคลิกของเขานี่ยเขาจำนนแต่ใจเขาสะอาดกว่าบุคลิกนะคนอย่างนี้เป็นคนหยาบหรือคนอย่างนี้เป็นคนแบบนี้แหละของเขาชินอย่างนี้อย่างเรื่องของเขาสิ่งเหล่านี้มันซับซ้อนนะเราก็จะต้องพิจารณาไปถึงจะเกิดปัญญาถึงจะเกิดความรู้จริงนะ มันเรื่องพิจารณาให้มากเนี่ยก็อย่างให้พวกเราได้ระลึกตัวเองนักปฏิบัติธรรมพวกเราทุกคนนะว่า เ, าเออขนาดนี้เราได้พิจารณาให้แก่ตัวเองไหมสติปทาน4พิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือสมปทานสตัวเองได้ใช้ตัวพิจารณาเข้ามาประกอบสังวรปรทานมีตัวพิจารณาประกอบประหารปรทานหรือกําลังปฏิบัติให้เกิดปริ ญ, ญาสาม ยาตัปริญญาติระปริญญาปหารปริญญามีไหมถ้ามีอยู่ก็เกิดผลอยู่ก็เห็นผลเออเราปฏิบัติได้มีภาวนาประธานอนุรักษนาประธานก็ระวังนะไอ้ที่ปฏิบัติได้แล้วอย่าให้มันล้มละลายไปอีกละ่ะรักษาผลไวเรืยเรื่อยเรื่อย เ, อย เ, อยเอยมีสมัคประธานมีอิทธิบาทคุณจะมีอิทธิบาทดีเพราะการปฏิบัติตามข้อบัญญัติเจ้าถ้าปฏิบัติถูกแบบอย่างของสูตรของพระเจ้าแล้วเนี่ย ทุกคนจะร่าเริงเบิกบานมีฉันทวิริยะจิตวิมังสาแล้วก็จะชำนาญมีสมปทานสี่มีอิทธิบาทสี่มีสติปทานสี่เป็นตัวท้ตลอดเวลาและคุณก็ได้ปฏิบัติทมก็เท่ากับคุณเดินเครื่องยนต์ทำงานมันก็จะเกิดสั่งสมอิน 5, รียห้าพละห้าคือไปเรื่อยเ ร, ยเ ร, ยเรยโดยไม่ต้องไปพูดถึงโพชงเจ็ดมักปดเพราะอันนแน่นอน เป็นทางเดินโพชฌงคือการก้าวมักคือทาง ม, ามักในคือทางคุณมีแล้วสัมมาเรียมักคือทางทีจ่จะปฏิบัติมีแล้วเป็นทางของคุณแล้วและคุณก็มีโพชฌงคุณมีสติปัฏฐานสีธรรมวิจัยเอ่อคุณมีสติโพชฌงมีร 4, ธรรมวิจัยสัพพะมวิริยะสัพพะฌงถึงเป็นตัวปฏิบัติแท้ๆหรือไม่ถ้ามีคุณก็คุณมีทางแต่คุณไม่ก้าว อนอนตรงเนี้ยดีไม่ดีให้ให้ให้ลมพัดให้น้ําดันตรงมันตกเข้ามาที่ในมโ ห, มหตกลงมาในเหวตรงมาในนรกตรงมาใดๆอีกแทนที่จะก้าวมันก็ต้องตั้งใจให้มีสติสัมโพชงให้มีธรรมวิจัยสัมโพชงวิริยะสัมโพชงก้าวเข้าไปให้ได้ เพราะฉะนั้นโพธิชงเจ็กับมรแปดเขาโพธิปัจจะธรรมเนี่ยถ้าเรารู้ดีแล้วเราก็รู้ตัวปั๊บตรวจปั๊บนี่เราอยู่ในมรแปดหรือเปล่านี่เราได้มีโพธิชงประจําตัวหรือไม่สติของเราเป็นสติอะไรสติปุุชนสติกัลยาณชนสติกัลยานชนก็มีแค่หลุ่มหลวมสติถึงสติอริยชนไหม สติสัมโพชง์สติในขั้นอริยะสติในขั้นที่มันสังวรระวังรู้นอกรู้ในรู้ทำในทำมีโพธิปักทวทิปักที่จะทำครบหรือไม่ในขณะใ ด, ดขณะใ ด, ดแล้วได้พิจารณามันอยู่กับตัวไหมพิจารณาเห็นทั้งนอกและในทั้งหยาบและละเอียดเห็นในอรียบทต่างๆเห็นนะ่ะแล้วพิจารณาได้อ่านอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยนิวร อ, อย่างหยาบกลางละเอียดนะ่ะ อุปทานของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารของเราก็อยู่ในธรรมนะรู้จักรูปรู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จักสังขารา ก, ญญาก็คือทําวิญญาณให้สะอาดนั่นเองนะตามหลักของปฏิจจสมุปาทอาวิชาเป็นประธานอาวิชาเป็นประธานกอ่อให้เกิดอะไรก็เกิดอะไรอวิชาเกิดสังขารสังขารนี่เกิดอะไรวิญญาณ นี่เป็นสามอันแรกอวิชชาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณของเรานี่ถ้าเราได้ปฏิบัติโดยการตั้งตนอาหารของอวิชชาคืออะไรวิชาอาหารของอวิชชาคือนิวรนาเพราะเราปฏิบัติลดนิวรนอยู่ลดนิวรนอยู่สติปทานสีก็เกิดโพชฌงเจ็ดก็เกิดใช่ไหมในอวิชชาสูตรนี่ทวน เปิดอยู่เมื่อวานวานก่อนนี่ก็เปิดอยู่เนี่ยอาก็เปิดอยู่นี่ทวนวิชาสูตรก็ทวนมูลปริยายสูตรก็ทวนเรียนไปเพื่อลืมมันก็ใช้ไม่ได้ที่เรียนไปเพื่อลืมเรียนไปเพื่อใช้สิเพราะฉนั้นเราได้ลดอยู่นี่ทในทำนิวรน่าเราก็ได้ลดอยู่ได้ตั้งใจปฏิบัติอยู่มันก็ลดอาหารเมื่อลดอาหารวิญญาณก็สะอาดขึ้นเรื่อยวิชาก็จะลด อาวิชาก็จะถูกลดลงไปเรื่อยเพราะไม่ได้ให้อาหารเมื่อไม่ให้อาหารอวิชาก็ลดไปเรื่อยๆสังขารก็เป็นวิสังขารวิสังขารในสังขารที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นวิญญาณก็ดีนะสังขารจากสังขารมาเป็นวิญญาณถ้าอวิชาต่อมาเรื่อยไอ้สังขารมันก็สังขารเรื่อยเป็นสังขารละโลกสังขารโลกีมันก็ปรุงให้กับวิญญาณวิญญาณก็ยยำเยอะวิญญาณก็เคล่เน่ามีแต่โลกี ใส่วิญญาณตลอดไปอายตนะหกก็รับเละมาเลยไม่ได้พิจารณาอายตนะหกอะไรเลยทําในทำนายตนะหกไม่รู้นอกไม่รู้ในหล่อเละม้วนใส่เข้าไปในกิเลนั่นแหละในจิตนั่นแหละกิเลทั้งนั้นเนะบะเบะเบะเบเบบะเข้าไปทุกวันคุณคิดดูซิเนี่ยพูดไปเรามันเห็นชัดเจนห ย, ยาบแต่ก่อนนี้คุณไม่เคยปฏิบัติธรรมเป็นยังไงเป็นนักโกยขยะ โกยขยะใส่จิต Hasta ใช่ไหมเป็นนักโกยขยะวุ่นอยู่ในขยะนั่นแหละ โ, โอ้เละอ่าไม่ได้รู้เรื่องเลยอายตนะคืออะไรอ่าขันห้าคืออะไรสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไรไม่รู้เรื่อง <Tim> นี่มันชักรู้โอสังขารเพราะอาวิชชาอ่าสังขารสังขาร น, นาี่มันวิญ ญ, ญาณวิญญาณอยู่อายตนะหรือสารยานยตน ะ, ะนะ <S 2> <S 2> <S อ่าไปนามรูปเป็นนามรูปก่อนเนื้อ อ่าเป็นนามรูปก่อนแล้วเราก็วิจัยเรียนรู้รูปนามรูปอธิบายแล้วแม้แต่ที่สุดในทางทำอสิ่งที่ถูกรู้วิจัยออกนี่เป็นกิเลสนะนี่เราลดละได้แล้วนะรูปนามเขางางทีก็จะสูงขึ้นรู้รูปรูปนามในลักษณะธรรมะรูปธรรมรูปนามในขั้นปรมาติก็คืออ่านจิตในจิตอ่านเวทนาในเวทนาจับนามมารม ข้างนอกก็ไม่ใช่ไม่รู้หยาบข้างนอกตามหูจมูกดิ้นกายรูปรสกินเสียงสะพัดก็รู้เหตุปัจจัยลาบยอสันเซินอะไรก็รู้ทั้งนั้นน่ยมันมาสัมผัสเราแล้วแล้วมัน ก, ก็เกิดข้างในเราตามอ่านจิตในจิตเป็นวิจัยเวทนาในเวทนาเป็นแยกทำในทำเป็นอ่านออกแล้วรูปนามก็คือสิ่งที่ถูกรู้กับนามก็คือตัวธาต ร, รู้หรือญาณมันเป็นวิปัสสนาญาณกําลังทําฌาน มีวิปัสสนาญาณทาสำเร็จก็เป็นมโนมยิธิเป็นวิชาขึ้นไปเรื่อยๆและก็มีหลากหลายอิทธิวิธีวิธีที่มีฤทธิอิทธิวิธีวิธีมีวิธีหลากหลายที่ทำให้เราทำของเรานี่แหละละเอียดละอองของเราใครถนัดอะไรทำงี้ได้ผลแล้วก็ทำของเราก็จะเกิดหลากหลายวิธีสามารถขึ้นเรื่อย เป็นคนเหนือโลกขึ้นไปเรื่อยๆไม่อะไรอะไรพิสดารโอ้โหแต่ก่อนนี้มันไม่เคยไม่น่าจะได้มันก็ได้มันพิสดารมันหนะไม่น่าเชื่อมันปาฏิหาริมันมหาสัจจรนย์กันไปเรื่อยแล้วก็จะมีอิทธิพิธีโสดทิพก็จะลึกซึ้งขึ้นเรื่อยแม้นี่มันไกลนะมันมาเบาๆนะมันแต่ว่าเรารู้มันแล้ววิจัยออกด้วยว่าอันนี้มันคืออะไรมันโทระมูลหรือราคาคมูลสายไหนอยากกลางละเอียดน้อยมากต่างกันนะ แบ่งออกมีธรรมวิจัยมีตัวจิตวิญญาณของเรามีธรรมวิจัยสัโพธิจงวิจัยออกได้ดีเลยอะไรนี้เป็นตน้นก็เกิดโสทิพเกิดเจโตปรยานเสแล้วกณจะไปทวนบุเพนิวาสานุสติญาณจตูป ป, ปาตยานจงกระทั่งตรวจสวอบว่าอมันหมดอย่างนี้เนาะอาสวะสิ้นเป็นอย่างนี้อาสวะขย้ายยานยานที่รู้จักอาสวะ อ๋ออาการมันก็นิดก็น้อยแล้วมันก็ได้ปฏิบัติมาแล้วเออถ้าคุณทบทวนเตวิชโชยอยู่เรื่อยๆคุณก็จะตรวจรู้ว่านี่เหตุนี้นะมันทําเรามานานแล้วเราชอบมันเราติดแต่เป็นธาตุมันมาเป็นโลกียะอดิดอร่อยโลกียะจนดับโลกียะหมดไม่มีโลกียะเป็นโลกุตระมันเฉยมันวางมันไม่เกิดอาการของโลกียะลด ดับโรกีรถมีแต่วิมุติรถเป็นรถที่พ้นรถที่เฉยรถที่วางที่กลางมันจะไม่เหมือนเดิมตายมันไม่มีรสอร่อยของโลกีแล้วมันไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่อร่อยมัน จ, จืดๆตายแล้วว่าจะอยู่ตรงไหนว่าเวตายเหียวแห้งตายคุณจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย ไม่หรอกคุณจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเดิมมันไม่อร่อยแบบโลกโลกแล้วเราก็เบิกบานหน้าเริงของเราอยู่แล้วเราก็ไม่ได้หดเหียวห่อเหี่ยวยิ่งไม่ห่อเหี่ยวเดิมยิ่งได้มากมากยิ่งไม่ห่อเหี่ยวแต่ก่อนนี้สิยิ่งห่อเหี่ยวเหี่ยวไม่เหี่ยวธรรมดาเนี่ยโหดด้วยดางทีไม่ได้หน้าเหี่ยวธรรมดาไม่ชอบใจมีเขี้ยวขึ้นเลยโหดด้วยดุด้วยใช่ไหมพอไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันไม่ห่อไม่เหี่ยวไม่โหดไม่อะไรเลยมันก็จะเบิกบานเบาสบาย มันแต่มันคงไม่บางเนาะหนังยิ้มอยู่ตัวเองคงไม่บางงั้นนะแต่มันก็สบายแต่อยู่ตัวเองก็ไม่ต้องยิ้มหรอกมันก็ไม่ยิ้มไม่อะไรหรอกมันก็อยู่มันก็มันก็สดชื่นก็มันอยู่ตามธรรมดามันจะอยู่คนเดียวหรือจะอยู่กับงานนั่นงานนี้จะอยู่กับอะไรมันก็ไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนสองนะเรียกว่าไม่มีเพื่อนสองเป็นอยู่แต่ผู้เดียวนะ เพราะจะอยู่กับหมู่กลุ่มเต้มนี่เราก็อยู่แต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองก็คือไม่มีกิเลสขึ้นมันแข็งแรงแล้วมันหยุดมันจบมันไม่ไปไม่มามันไม่อะไรแต่มันก็เบิกบานของมันอยู่ของมันได้จะมีอะไรอยู่ในโลกโลกีเราก็รู้ท่าทันมันแล้วก็อยู่เนื้อมันอยู่เนื้อมันจริงๆใครพอเชื่อพอเข้าใจพอรู้ว่าของเราเป็นของเรามีและบ้างว่า เออนี่เราอยู่เนือมันแต่ก่อนนี่เราไม่ได้นะเราแพ้มันจริงๆเดี๋ยวนี้เราอยู่เนื้อมันได้แม้จะยังไม่ถึงขั้นอาสวัคยายานแต่ก็ขั้นอนาคามีภูมิในเหตุนี่แ เ, เหตุหยาบหยาบของโสดาบันโดยซ้ําไปแต่ก็มีภูมิถึงอนาคามีภูมิไม่ได้หมายความว่าเป็นอนาคามีบุคคลนะไม่ใช่บุคคลนะอนาคามีภูมิในเหตุปัจจัยนี้ เข้าใจซ้อนไหม่าโซดาในโซดาสกิทาในโซดาอนาคาในโสดาอรหัตผลในโสดาเข้าใจไหมเออแมเก่งทั้งนั้นเลยเนาะนั่นแหละเราอ่านออกว่าเอออันนี้มันคุณภาพของธรรมะของเรามันเจริญถึงขีดนี่นะอ่ามันได้ได้ขนาดนี้แล้วมันถึงขนาดเข้าขั้นอนาคามีภูมิแต่ไม่ใช่อนาคามีบุคคลเรายังเราก็เหตุนี้เรื่องนี้แล้วก็อ่านออก โอ้มันเบาแล้วมันไม่มันจะต่างกันชัดเลยโอ้โหเราจําได้แต่ก่อนนี่โอ้โหเซ็ตมันยากเลยนะแต่ก่อนนี้ยิ่งมอแล้วรถอัจฉริะแบบโลกโลกโลกิกก็เข้าใจแล้วก็รู้ความจริงแล้วก็หลายคนที่ยังไม่เทานานก็คงจะจําได้อยู่แต่นี้เราต่างแล้วแบบโลกโลกโลกิกก็เข้าใจแล้วก็รู้ความจริง แล้วก็หลายคนที่ยังไม่เท่านานก็คงจะจำได้อยู่แต่นี้เราต่างแล้วการติดจิดก็ต่างยิ่งอะไรที่มันยิ่งเหมือนก็อาสวะสิ้นอาสวะขยายานมันดับแล้วมันไม่เหลือแล้วมันถอนอาสวะแล้วอันนี้เราปฏิบัติมาจนเ ก, กิดเป็นสิ้นอาสวะแล้วนะเป็นอรหันตผลในเรื่องนี้ล่ะเรื่องต่าๆหยาบๆเบื้องต้นของแค่ถ้าจะคิด รวมเป็นเหตุปัจจัยของโสดาบันก็คือพวกยังชัดต่ําพวกเนี้ติดยึดในของโลกโลกแบบต่ำๆเนี่ยแล้วขาดและขาดจริงๆแล้วอรหัตตผลนะคุณก็จะรู้จักอรหัตตผลในโสดาอรหัตผลในอะไรอะไรเรียกว่าเรารู้จักวิมุตต์รู้จักนิพพานแม้นิพพานแม้วิมุตต์นในอาสวะสิน้นที่มรรจฉันทนก็บอกได้แม้แต่ในชาตหนึ่งชาติสชาติสามชาตี่ก็มีอาสวะสิ้นได้ทั้งสี่ชาต โดยเหตุปัจจัยอะไรเป็ น, นก็ทําลึกเข้าไปต่อต่อต่อเข้าไปเรื่อยเื่เลยนะเพราะงั้นเราสามารถที่จะรู้จักความจริงที่เป็นปรมาทความจริงที่เป็นอารมณ์ทางจิตเป็นกิเลสในจิตเป็นความจริงที่พุทธเจ้าท่านสอนเราว่าเรามาควรมาละมันเลิกมันลดซะเมื่อละเลิกลดได้แล้วเป็นโซดาบันคือเป็นผู้ปิดอบายอบายคือเรื่องของอับหยาต่ำๆโลกโลกโล ก, กีเนี่ย ในชุมชนในกลุ่มมนุษย์อศโศกของพวกเราเนี่ยนะมันเป็นกลุ่มมนุษย์ที่อย่างน้อยแม้คุณจะคนอยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในชุมชนนี้มีพันคนแต่ที่จริงพวกเรายังไม่มีกลุ่มแต่และชุมชนยังไม่ถึงพันจริงๆหรอกนะมันไม่ถึงพันจริงๆชุมชนเราเนี่เอาละกี่ร้อยก็แล้วแต่แม่ร้อยคนแค่ร้อยคนก็ตามร้อคนสองรอยคนห้าร้อคนก็ตาม รวมแล้วองรวมมันไม่มีเรื่องของอบายมุกมันไม่มีเรื่องเหล้าเรื่องยาบางคนอาจจะมีนิดๆน่อยๆอะไรแต่มวลของพวกเราเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยแล้วโอ้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนมีใครยังอยากกินเหล้าอยู่มีไหมท่านมาทาผู้ชายหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผู้หญิงขี้เหล้าเมรีขี้เมาอ่า อย่างนี้เป็นต้นมันไมมีแล้วในมวลชนพวกนี้มันไม่ยากจริงๆเพราะฉะนั้นเจ็สิเอร์ซขึ้นไปแปดสิบเปอร์ซ็นต์ขึ้นไปถึงร้อยเอร์ซ็นต์ในหลายๆคนบอกเฮ้ยศูนย์เรื่องเหล่าเนืองบุรีเนืองของยาประบายยมุกต่างๆเรื่องการนั้นเล่นอาจจะมีบ้างมหรสยอาจจะมีบ้างอะไรเนี่ยแต่มันก็ไม่อะเขาข้างนอกอก็ประโคมกันโอ้โหนี่มันยอดมหากรรมใหญ่ สนุกสนานมหาหรสพระดับนั้นระดับนี้โฆษณามาทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะอะไรที่มันใหญ่ๆมันจะต้องโฆษณาทางโทรทัศน์การใหญ่นะมหื่มามโหอานพันลึกไปหนึ่งมีนหนเดียวหรือว่านีย่ยังไม่เคยมีเลยนะนี่เป็นครั้งแรกในโลกอะไรก็แล้วแต่โอ้โฆษณาสารพัดใจของเราโอ้โหอยากไปจริงเว้มันไม่เกิดนะ่ะมันไม่เกิดฟังก็เออเนาะ บางคนอาจจะป๊อปป๊อปว่าออมันก็น่าดูเงินเนาะนิดหน่อยบางคนบอกก็เฉยเฉธรรมดาไม่ได้อยากดูเลยดีไม่ดีบางคนบอกเอ้ามา่ฉันซื้อตั๋วให้ ไ, ไปเมือ่อยเกิดอาการอย่างนี้บ้างไหมแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้แล้วแหมมันไปนะไปนะโอ้ต้องเจียดแล้วนี่มีงานก็ต้องหาหยุดซะก่อนงานพักตรงนั้นตรงนี้ไปแอบไปดูก็มี <laughs> วิ่งแลน่นไป มหาหเราสบการณ์เเล่นเที่ยวกลางคืนคบมิตรชั่วอะไรอบา ย, ยมุกต่างๆมันไม่มีจริงๆในหมู่ชนของเราเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยแล้วมันเป็นเมืองพุทธมันเป็นเมืองพระศรีอานนี่คือเมืองพระศรีอานมันไม่มีจริงๆใช่ไหมอบายมันมีปิดอบาย ความเป็นอบายในคนกลุ่มนี้มันไม่มีอาชญากรรมในเรื่องอบายามุ่งอย่างนั้นมันไม่มีมันไม่มีวัสดุเหล่านั้นมันมีไหมมียั่วยวนอยู่มีไหมมีอยู่ในโลกประโคมอยู่โครมโครมแล้วไม่ได้ปิดหูปิดตาเมื่อไหร่เห็นอยู่รู้อยู่แต่เราก็เฉยเฉยไม่ใส่ใจอุเบกขาอทุกค์กมสุขไม่ได้ไปหลงสุขหลงทุกข์ก็มันน่ะใครจะเหลือเศษน้อยเหลือนิดอะไรก็ตามใจของใครบ้างก็มีแล้วแต่ ถ้าใครไม่เหลือแล้วก็คือไม่เหลือมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นที่นี่จึงเปนเืองภาษีอ่านที่ไม่มีอ บ, บายปิดอ บ, บายส่วนส ก, กิทาเราจะสูงขึ้นเราจะรู้กิเลส ข, ของเราในในใจิตในใจของเร า, าเออมันเหลือน้อยมันมีบ้างเหลือน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปก็ลดลงไปเรื่อยๆจนเข้าอนาคาโดยเฉพาะในเรื่องอ บ, บายเพราะฉะนั้นในอรหัตผล ของอบายฟังให้ดีนะอรหันตผลของโลกอบายภูมิคุณเชื่อไหมว่าพวกเราในมีอยู่เชื่อไหมเห็นไมถ้าเราแบ่งออกแล้วจะเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นในอรหันที่ตพุทธญาตตรัสว่าถ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วโลกไม่ว่างจากพระอรหันเห็นอรหันขึ้นบ้างไหมเอาให้ได้ที่ตัวเองนั่น แม้จะยังไม่ได้เป็นอรหันต์สมบูรณ์เป็นอรหันต์เป็นอรหันต์เป็นบุคคลเป็นอรหรันต์บุคคลเป็นอรหันต์เต็มก็ให้ได้อรหันต์ในโสดาอารหันต์ในสกกิทาแต่ที่จริงก็อรหันต์ในโสดาเนี่ยมันจะมีสกิทาอนาคาอรหันต์ซ้อนอยู่ในโสดานั่นแหละแล้วมันก็จะไล่ขึ้นมาเรื่อย ๆ, ๆของมันเองตามภูมิโสดาบันยังติดยึดอยู่ในระดับนี้ลาบยึดชั้นเซนก็ประมาณนี้คือโสดาถ้าสูงขึ้นมาในอนาคา ส ก, กิทาก่อนส ก, กิทาก็ขนาดนี้ลาบยศสันเรินก็ขนาดนี้นี่พอเรานี่ยังว่ากันอยู่ยุ่งยากเลยเนี่ยอยู่ในนี้แท้ๆกันยงังทั้งๆ ท, ที่มันเป็นสมบัติของคนอื่นสมบัติของส่วนกลางเราก็ยังเทียงกันเองอยู่ในเนี่ยฉันจะเอาแพงๆอ่ะฉันจะขายแพงอ่ะนี่บอกขายแพงทำไม้ขายถูกเงี้ยฉันจาเป็นน่ะไม่จําเป็นอะไรมากมายนักรถกองก็ได้ไม่ อยากขายก็ขายไปที่ราคานั้ฉันจะขาย ร, ราคานี้คือให้มันขัดใจกันให้มันไม่ชอบหน้ากันก็ไเ่เฉยๆตั้งแต่ที่และไอ้ที่จะ ว, ว่าขายแพงเอาไปไหนก็เข้ากองกลางไอ้ขายถูกเอาไปไหนก็เข้ากองกลางและทําให้เหม็นขี้หน้ากันทําไมไม่รู้มันอยากทําอะอัตมาก็เออนะมันคนมันก็อย่างงี้นะจะว่าไม่งงมันก็คืองโง่อยู่างนั้นน่ะแล้วก็ทำไป อารมณ์โมทสันดีไม่ดีถ้าใครมาทําทุจริมันก็เป็นบาปแต่ถ้าใครไม่ทุจริเราก็มาทํานี้ก็จะเห็นจิตของเราไม่ได้ทุจริอะไรเราก็ทําให้แก่ส่วนกลางนี่แหละแต่ก็ยังมีงอกงอแงะๆงยังมีเหลี่ยมมียังมีโน่นมีนี่ยังมีอะไรตัวอะไรต่างๆบางทีเสียศักดิ์ศรีไม่ต้องต้องเอาอย่างจงชั้นไม่เอาอย่างของชั้นไม่ได้มันก็มีธมานะมีทั้งถือดีถือตัวมีอะไรมีอัตตาของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย รักษาผลประโยชน์ให้วัดอ้างไงอ้างอ้างเหตุอ้างผลอ้างรักษาผลประโยชน์ให้วัดวัดต้องการเงินอยู่นะวัดต้องการรัพบเสริมคานอยู่นะวัดต้องงี้นะมันก็อ้างไม่ได้สารพัดแต่ก็อ่านวยนเออถ้าเราไม่รักษาแล้วคนอื่นไม่รักษาด้วยมันจะเป็นไงถ้าเราไม่รักษาก็มีคนอื่นเขารักษาอยู่นั่นแหละเอาเราเราเราเลิกก่อนเราเลิกรักษาให้คนอื่นรักษาสิผลประโยชน์ให้วัดเนี่ยเราละกิเลสของเราเองดีกว่าเราไปยึดไปติดอะไรกันนะกัหนาพิจารณาลงบ้างลดลงบ้าง ถ้าลดลงอย่างนี้ได้บ้างอมตมาว่าคว า, ความสงบจะเกิดขึ้นไม่ใช่น้อยเลยความสงบจะเกิดขึ้นไม่ใช่น้อยพวกเราเนี่ยยังมีงงงงง ง, งอยู่อย่างนี้ต่างๆนาน น, น, นะมันละเอียดนะมันละเอียดสุ ข, ขุมประณีตจริงๆในเรื่องของกิเลสปัญหาอุปทานนี่มน ะ, ะเพราะฉะนั้นในสังคมพวกเราเนี่แหละเป็นสังคมของมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวมีโจทย์ตั้งแต่หยาบกลางละเอียดข้างนอกมันไม่มีโจทย์ละเอียดอย่างนี้หรอกคุณไประเริงอยู่ข้างนอกปฏิบัติธรรมอยู่ข้างนอกไม่มีหรอกละเอียดละเอียดอย่างนี้ไม่มีในระดับละเอียดอันนี้ก็ทุกคนก็ไม่มีกันอยู่แล้วอยู่ในนี้เราจะมาทําได้ไงประเจีประเจอบของเขาไม่มีกันแล้วข้างนอกนั้นเราจะขนาดนั้นขนาดนี้กลายเป็นโก้เลยนะเพราะคนอื่นเขาย้าฉากระเราเขาโอ้โหใช่ไหมคนอื่นเขาเลอะกระเราหยาบกระเราของเราขนาดนี้ เก๋แต่ทิแทอย่างหยาบเลยแต่ถ้ามาอยู่ในนี้คืนหยาบเป็งนงั้นไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนเห็นไม่ได้เดี๋ยวโดนตำรวจตำรวจโดยไม่ต้องติดบั้งให้หรอกเป็นจิตตีสิบโทสิบเอกตรวจตราแน่ไม่ได้มันมันจะเห็นได้ ว, าาว่าพระองค์พระพเจ้าทวารอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีปรโปรปเททวาสะอยู่ในบุคคลที่มีบุคคลที่ดี บุคลาสปายะหรือว่าเสนาสระสปายะมีอาหารสปายะมีเครื่องอาศัยต่างๆเพราะเครื่องอาศัยในที่นี้ไอสิ่งที่โลกโลกเขามีอาศัยที่นี้ไม่ต้องอาศัยต้องอาศัยเหล่าอาศัยยาอาศัยน้ําอัดลมอาศัยเครื่องแต่งตัวช่วยๆงามๆอาศัยอะไรแม้แต่อาศัยหองทางไม่เคยอาศัยแต่ก็ยังมีบ้างในบางคนแล้วก็ไม่พยายามถอดถอน ตัวเองก็เลยไม่เก่งไม่จริงก็ใสนรองเท้าชินติดอาตมานี่จําเป็นบางวาระต้องใส่รองเท้าก็รู้สึกว่าต้องใส่แต่พยายามจะให้ตนเองไม่ราําคาญไม่ลําบากใจก็ใส่บางทีมันใส่ใส่ไปก็บบเออมันถอดดีกว่าเว้ยนะมันจะรู้สึกโดยส้นโดยซ้ไปเพราะจริงๆแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะแะแล้วเราก็รู้สึกมันก็ไม่อยากจะใส่ดีกว่านะเพราะว่ามันไม่จําเป็นนะ หรือบางทีเงี้ยโอมันร้อนอะไรต่ไรก็ต้องหนุนต้องห่มแม้แต่อังสาเนี่ยแม่ถอดอ่งสานี่รู้สึกว่ามันเบาดีนัลงดีแต่มันก็ไม่ดีตรงที่ว่ามันก็ต้องรู้จักมารยาทสังคมบ้างเอาต้องใส่อังศาหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมมันเอารู้แล้วว่ามันอะไรมันมาติดมายึดมันอะไรมันมาพอกมาหุ้มอะไรมันมามากมาไมมันก็จะรู้สึกว่ามันแบกไว้ทั้งนั้นแม้แต่ขันห้าของเรา แล้วก็แบกขันหน้าโอ้ยขันหน้ามันหนักขันหน้ามันใหญ่มันอะไรก็จะรู้เลยทีนี้โอ้ระวังอนี่รถลงได้ถึงแปดกิโลนี่ก็เก่งนะเนี่ยโอ้โหขนาดรถลงแปดกิโลแล้วยังอ่ายังบานอยู่เลยขนาดแปดกิโลนะเนี่ยรถแปดกิโลดีทอ็อกพนุ่งดีทอ็อก อตาตมาก็พยายามจะให้ลงกว่านี้ก็ยังไม่ลงก็ไม่เป็นไรหรอกขนาดนี้บางคนก็บอกผอมแล้วไม่พ้อมหรอกยังขนาดนี้ยังห้าสิบเก้าจนหกสิแต่อาตมาแน่นในนะแน่นในมากอาตมานหนักแน่นในมันหกสิบอาตมาคิดว่ามันคงไม่ใช่เพราะว่าอาตมาผอมลงมันก็ไม่ได้ผอมหรอกนะมันก็ดูปล่อยไปได้ยังมีโอ้โหยังรู้สึกว่ามันยังื มันยังจับเนี่ยมันยังเอ๊ถ้ามันจับแล้วมันแ ห, งแหง้งอีกเรื่องห น, นึ่งนะนี่มันไม่ยังไม่แห้งเลยนะเนี่ยอ่าแต่เอาเถอะก็ค่เป็นไปขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วนะมันจะเกี่ยวกับทั้งสรีระร่างกาย <c oughs> เพราะปฏิบัติธรรมเกี่ยวทั้งสริริร่างกายเพราะปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเบากายเบาใจ มันก็จะได้สัดส่วนมันก็จะได้อะไรต่อไรขึ้นมาเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานามันชีวิตที่อาตมายิ่งเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเปมีชีวิตที่โอ้มันได้ทั้งขัดเกล็กิเลตมันได้ทั้งปรับระบบเศรษฐกิจรัฐกิจสังคมศาสตร์สังคมมกิจต่างๆของเราเป็นไปเนี่ยโอ้มันวิเศษมันเป็นเรื่องขอมนุษย์จริงๆนะเป็นเรื่องขอมนุษย์จริงๆเลยอาตมายิ่งเห็นว่ามันยิ่งใหญ่ ใครจะว่าาตมาหลงศาสนาพุทธมันเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆพระพุทธเจา้าในท่านอะไรจะเก่งขนาดนี้ก็ไม่รู้โอ้โหจะหาคนที่เก่งเท่าพระพุทธเจ้านี่มันคงไม่มีอีกแล้วรวมมาไว้ในนี้หมดเลยน ะ, ะพอปฏิบัติแล้วมันได้มันสอดคล้องกับไอที่ต้องการของสังคมต้องการเศรษฐกิจที่ดีดีต้องการรัฐกิจที่ดี เป็นรัฐที่มีความเป็นอยู่ที่โอโหทุกคนอยู่กันอย่างพ ร, ร, พระ ร, พาพพราดอนรภาพอิสระเสรีภาพพระราดอนรภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพโอ้โสังคมนี้มีรัฐรัฐศาสตร์เจิมยอดมั้งอยู่ไหนล่ะนั่นะอ่ะ อ, ะอิสระเสรีภาพจริงๆเลยนะพระราดอนรภาพเป็นพี่เป็นน้องกันต่างคนดูแลช่วยเหลือกเกื้อกูลกันอ่ ผู้ใหญ่ผู้น้อยดูแลกันอุ้มชูกันเกื้อ ก, กูลกันไปมีสันติภาพสงบเปรียบร้อยราบรื่นง่ายงามมีสมรรถนะทุกคนก็ขยันมันเพียนสร้างสรรทำอะไรจะได้อยู่แล้วก็มีบูรณาการอาตมาเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะบูรณาการในอาตมามาตั้งเป็นหลักบูรณภาพมานานแล้วอินทิเกรตเหมือนกันภาษาเดียวกันนะบูรณาการเดี๋ยวนี้ฮิต ไม่อะไรกับบูรณาการสังคมบูรณาการการศึกษาบูรณาการเศรษฐกิจบูรณาการอันนั้นนี้บูรณาการทั้งนั้นนะใครไม่ใช้สับบูรณาการรู้สึกว่าจะเฉยนะมันต้องใส่สับบูรณาการแต่ก่อนเนี้ยดีเป็โลพัฒนาเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วพัฒนาการพัฒนาวิวัฒนาไม่เอาแล้วดีเป็โลไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้เอาอินเตอร์เกรดนะเอากว่าไปนะ เ, เพราะจะเห็นสังคมว่าเป็นสังคมที่ มันมันจเจริญจริงๆน ะ, ะเพราะฉะนั้นเรามองดูว่าเออพวกเรานี่ดูพวกมอสอดูสิหน้าตามันไม่ผัดไม่อะไรเลยผมเพ่ามันก็บไม่วีอ่าเสยๆว่าวั บ, ว บ, วบเสร็จอ่าใครทุกวันนี้นี่ไม่ได้วีผมเลยมีไหมอ๋อยังวีอยู่เลยอ่าโยมยิ่งบุญก็ยังหวีอยู่เหรอไม่ยกมืออ้ามันทำไมไม่ยกมือล่ะ อเราไม่ได้หวีแล้วก็ยกมือที่อนึกว่ายังหวีผมอยู่ทุกวันนี้อนะั้นเรานั้นยังหวีอยู่เหรอหวี อ, ห อ, อยู่บ้างเหะหวีมันทําไมอ่ะมันก็เป็นระเบียบอยู่เข้ามันอยู่ธรรมดาอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่ให้มันเป็นสังกตังมีอะไรเข้าไปทําเป็นโอ้โหมีทั้งรังแคมีทั้งสังกตังอะไรมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่ ก็เราก็อาบน้ํามันก็สะแล้วมันก็สบายสบายเสยเสยเข้าตรงตรงนี้อะไรก็ลูบแล้วมันก็เข้าแล้วมัต้องวีแต่จะวีก็เอาเอาละมันก็ไม่ได้ไปวีเพื่อสะเพื่อสวยอะไรเกินการสางให้มันเข่าเรียบเพื่อเรร้อยบ้างแต่มันก็จะมีแสงฝันแฝงนะน้อยมันระวังค่ะมันอย่างนี้น่อยดีอะไรมันมีแฝงระวังพิจารณาให้ดีๆว่ามันยังรักยังสอย่างนี้สวยก็อย่างนี้อย่างนี้อระวัง แต่ถ้าไม่แล้วมันก็จะรู้สึกว่าเออผมก็คือผมมันก็ไม่ได้ติดใจมันก็ไม่ได้หลงสาหลงสวยหลงอะไรตไร น, นี่ก็เป็นเครื่องตรวจสอบเป็นเครื่องตรวจสอบเราได้ว่าเราติดในกามไม่แต่แค่ผมเผาไม่แต่แก่อะไระต่างๆนั้นนเราก็จะต้องรู้พิจารณาหนึ่งพิจารณาสวยงามสองพิจารณาสุขภาพย่อมต่างกันพิจารณาให้ดีนะ จะแวะนะสุขภาพหรือสวยงามกันแน่รักสวยรักงามรักน่นรักนี่้รักอาตมาเองอาตมายังต้องระวังเลยบางเอ๊ะเราดูหน้าตาเขาเราอาตมานวดหน้าอาตมานวดหน้าเพื่อสุขภาพรุนนวดหน้าเพื่อสวยงามนี่เห็นไหมมันแฝงระวังให้ดีเลยนะเนี่ยนิดนิดหน่อยหน่อ ย, อยละเอียดนะ เ, เราเนื้อตัวผิวพันธ์ ผิวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตมาบอกว่าเขาบอกว่าให้พระยามให้กล่ามันหายเอยกล่าหายนี่เราเพื่อความสวยงามหรือกล่าหายเพื่อสุขภาพเห็นไหมมันซอนมัะจะอะไรก็แล้วแต่ผิวหนังเนื้อตัวหน้าตาผมเผาส่วนนั้นส่วนนี้ของสรีระเพื่อสุขภาพหรืออย่าปลอมนะอย่าแฝงนะอ ย, อย่าสีถนนชัยนะ ระวังสีถนนชัยเห็นหมาแล้วได้ปฏิบัติทมทั้งนั้นนะแล้วของเราถ้าเผือว่าเราเองเราทำได้สุขภาพของพวกเราก็จะดีไม่ใช่เราหลงสะสวยแต่เราทำเพื่อสุขภาพนะแล้วก็จะเจริญแข็งแรงเป็นชีวิตที่ดีสังคมก็ดีด้วยนะนะอรรมาก็ยิ่งเห็นยิ่งพิจารณ์ยิ่งพาทำงานทางด้านศาสนามาเป็นหลักเพราะฉะนั้นนิสิตเรียนพุทธชีวศิลป์เนี่ย ไปดีๆพยายามไป ด, ดีแล้วมันก็จะเป็นตัวอย่างหรือจะเป็นกลุ่มเป็นการศึกษากลุ่มการศึกษาที่เป็นการศึกษาไปในธรรมชาติด้วยแล้วก็มีหลักวิชาในการปฏิบัติของเราไปตามควรไม่เคร่งเครียดเกินไปแต่ก็ไม่ได้ปละปล่อยนะไม่เคร่งเครียดเกินไปแต่ก็ไม่ได้ปละปล่อยรวมจนกระทั่งไม่ได้เรื่องมันก็มีสัดส่วนที่ได้พอเป็นพอไปซึ่งมันจะจัดระบบ จะจัดหลักสูต ร, รือจัดระบบของมันไปในตัวมีกรรมวิธีอย่างน้อยอย่างนี้เราคุยกันอยู่แล้วเมื่อเรามีการศึกษาต่อไปเป็นนิสิตมีการศึกษาแบบนี้ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆทั้งหมดเลยอีกหน่อยต่อไปก็นิสิตหมดเลยใครตกหล่นนิสิตจะรู้สึกว่าตัวเองเโอ้โหเป็นแกะนอกฝูงอะไรแต่อะไรในวเดียบมันจะรู้ตัว เพราะเรามาปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นนิสิตแล้วก็ได้จัดจัดระบบไม่ใช่จัดเข้ามันไปอัตมาว่าจะจัดคนไปเองแต่ละปีแต่ละปีไปโดยไม่ต้องบังคับอัตมาก็ไม่ได้บังคับเป็นแต่เพียงแนะและพวกเราก็เข้าใจเทศบอกก็เออเห็นดีเห็นชอบรู้สึกว่าอย่างนี้นะแล้วก็ไปทํากันบางครั้งก็จะเป็นหมวดเป็นห ม, นหมู่เป็นเรื่องเป็นราวต่อไปมันก็จะมีระบบมีวิธีเป็นระบบวิธีแล้วก็ค่อยศึกษากันไปทํากันไปเรื่อยๆส่วนใครอยากจะเรียนข้างนอกหางอยจะเรียนข้างในบางอะไรก็มีปัญหาอะไรนี่คุณจะเรียนมอ สอทอคุณจะเรียนรามคุณก็เรียนเป็นนิสิตก็ได้อะไรก็ได้อยู่อะไรนี่ก็ไปด้วยกันทําทเก็บวิชาไปเรื่อยๆวิชานี้ไม่ต้องกลัวหรอกนาะถ้าแน่ใจแล้วเนี่ยนะโอ้เรียนไปอีก20ปีก็ได้ยังไม่ขอจบอเป็นนิสิตม า, าหลาลัยแล้ว18ปีแล้วอ่าทำไมไม่จบทุล่ะยังไม่ขอจบแต่ถ้าขอจบก็ขอจบได้อย่างนี้เหมืนต้นแต่เรายังไม่ขอจบอะเราจะขอไปอีก อ่เอาไว้ใจเย็ยนๆไว้ค่อยๆรับปัญญาบัตรทีหลังอ่ก็ไม่เป็นไรอ่แต่ใครขอจบได้แล้วก็อยากจะขอจบก็จบไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถึงจบแล้วคุณเรียนต่อไหมเรียนต่อไหมคุณยังไม่เป็นอรหันต์คุณก็ต้องเรียนต่ออยู่ดีถึงจบแล้วคุณก็ต้องเรียนต่ออยู่ดีอ่เพราะงั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการศึกษาชีวิตจึงสรุปได้ว่าชีวิตคือการศึกษาเกิดมาเพื่อศึกษา ถ้าไม่ศึกษาก็คือสวะของสังสารวัตรไม่ใช่สาราวัตนะของสังสารวัตขยะของสังสารวัตรนะมันก็จะลอยเต่งๆไปกับกรรมวิบากต่างๆโลกโลกีเตะเราไปเตะเรามาโลกีมันก็เดี๋ยวนิยมมันนั้นเดี๋ยวนิยมมันนี้เ ด, เ, นะเดี๋ยวก็เหอนนั้นเดี๋ยวก็เหอนนี่มีแฟชั่นอยู่สารพัด แล้วเราก็ไปตามเขาตะพุตตะเผเป็นอยู่อย่างนั้นคุณจะไปรวยไปจนก็คือสว่าของสังสารวัตเท่านั้นเองนะเพราะั้นเราก็มามีทิศทางของเราแน่นอนแล้วแล้วเราก็พากเพียงของเราไปนะก็คิดว่าวันนี้ได้ชี้บอกในเรื่องที่สำคัญโดยตัวพิจารณาทำให้มากมันตกหล่นแล้วนี่ไม่ได้พิจารณาเนี่ต้องพยายามให้มีตัวพิจารณา พิจารณาทำในธรรมพิจารณาในอายตนะพิจารณาในอุปทานขันธ์ห้าในขันธ์ห้าของเราเนี่มันยังติดยึดอยู่อย่างไรอุปทานคืออะไรกิเลสตัณหาคืออะไรมันมีอยู่นี่เรามีโพธิชงเจ็บเรามีอริยสัจสี่ไหมอายตนะของเราตามหูจมูกริ้งกายใจของเราทั้งหเราก็ได้รู้แล้วว่าเราจะจัดสรรมันอย่างไรนะก็ขอให้เราทุกคนไปภาคเพียรแล้วก็ตรวจสอบผล ตรวจสอบการปฏิบัติของตนเองให้เจริญเจริญขึ้นทุกกาลเวลา อาตมาก็ขอยินดีด้วยทุกๆคนนะที่เห็นความสาคัญในการมาฟังธรรมก็ยินดีด้วยจริงๆคนไหนก็แล้วแต่เถอะเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ใส่ใจในเรื่องศาสนาไม่ใส่ใจในเรื่องธรรมะเลยเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงก็เหได้แต่สมเพศได้แต่วเวทนาสมเพศเวทนาคือเขาขาดจริงๆนะเขาจะไม่ได้อยู่ในโลกนี่ก็ เกิดมาก็แย่งลาบยศสันเซินโลกียสุขสังคมก็พาเป็นพาไปพาอันนั้นก็น่าได้ไอ้ น, นี่ก็น่าเป็นไอ้ น, นี่ก็น่ามีสังคมก็ก็จะบอกเราไปอย่างนั้นนะไม่มีอะไรกานกรองหรอกการกรองกันอย่างล้มหลวมอย่าไปทําบาปอย่าไปทำหยาบช้าอย่าไปทาํ า, าทเลวร้ายก็รู้ๆกันเป็นสามันเท่านั้นแต่ส่วนความจริงของสัจธรรมที่มันซับซ้อนลึกซึ้งควรทําไม่ควรทํา อะไรที่ควรละเวน้นและก็ไม่ควรจะประพฤติอย่างนั้นอย่างนี้อะไรที่เป็นความลึกซึ้งทางทา ง, ทางสัจธรรมเขาจะไม่รู้เขาจะรู้อย่างโล ก, กีโลกโลกปุตุชนมีความสุขกเพราะได้เสพสมในลาบยศสันเสริญโลกีเยสุขได้มาก็สมใจก็สุขไปอะไรไปแย่งลาบยศสันเสริญอะไรกันไปโดยหลักเกณฑ์ของสังคมโดยกฎเกณฑ์ของสังคมโดยจารีตประเพณีของสังคม ซึ่งมันเป็นสังคมโลกีสังคมโลกีนี่ไม่พ้นนรกไม่พ้นสวรรค์มีสวรรค์กับ น, นรกเป็นสองส่วนอยู่เท่านั้นเองสังคมโลกีไม่มีการเป็นสวรรค์ถาวรหรือสวรรค์พิเศษสวรรค์โลกีอัตมาก็เทศก็บอกมาหมดแล้วสวรรค์โลกีคือสวรรค์จิตวิญญาณเนี่ยมันรู้สึกเป็นสุขมันรู้สึกว่ามาันมันวิเศษมันได้เสพสมสุขสม ได้ลาบมาเสพสมใจขึ้นสวรรค์เป็นสวรรค์จิตใจเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ประเสริฐอารมณ์ชอบได้ลาบได้ยศได้สันเสริญมาได้เสพกามมาสุขลิกะกามาสุขหรือได้เสพอัตถทธะสุขสุขสมในกามสมในอัตตาสมในตัวกูกูจะเอาอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะได้อย่างนี้จะมีอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ได้สมใจสุข สุขอย่างนี้เลยเป็นสุขตกสวรรค์เป็นสุขไม่เที่ยงเป็นสุขไม่จริงอัิกัตสุขคัลิกะเนี่ยอัิกัตได้แปลว่าความหลอกลวงมันสุขไม่จริงหรอกที่ว่าไม่จริงนี่เรามาปฏิบัติทำดูสิลดละถูกเหตุมันดับสาสาเหตุมันดับสมุทัยของมันได้แล้วจริงลดลงลดลงได้แม้จะไม่ถึงขนาดดับนะมันลดลงมาจางๆลงแล้วเนี่ยสุขก็น้อยลงความจี๋จ๋าในรสของสุขโลกีสุขที่มันได้เสพสมที่เหตุ ตัวกิเลสเนี่ยมันยึดน้อยลงมันมีปัญญามันไม่จัดจ้านมันไม่ต้องการมันไม่ดึงดูดรุนแรงแล้วเนี่ยนะสุขก็จางเบาลงสุขก็ไม่จีจะยิ่งดับได้สนิทดับเหตุได้สนิทเลยสุขก็ไม่มีเลยมันไม่สุขมันต้องมันเฉยมันเฉยเรียว่าอุเบกขาเนี่ยอุเบกขาของทางธรรมะโล ก, กุตระอุเบกขาออทุกขมสุข ไม่มีสุขไม่มีทุกข์เฉยๆนะเพราะงั้นถ้าเราได้เสพสุขแล้วขึ้นสวรรค์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องโลกธรรมดาทุกคนทุกคนเป็นอย่างนั้นปุถุชนแล้วสุขนี้ไม่เที่ยงแล้วก็หลอกๆแล้วก็จอไปบำเมรอมันอยู่น่นะก็ใช้เป็นขี้ข้านะเป็นขี้ข่าเป็นธาตุเป็นธาตุาาาความสุขชนิดนี้สุขโลกีเป็นธาตุมันมาตลอดกาลนานเนี่ย <Yeah. S 1> จะต้องหามาบำเมรอตน ตามที่ตนมีอุปทานมีความจิดยึดมีการสมมติไว้แล้วได้เรา ก, ก็ยึดถือว่ามันจริงมันเป็นสุขจริงมันต้องได้ต้องมีจริงๆข้นขวายเหน็ดเหนื่อยอะไรก็จะต้องบ่มเรอตรงเนี้ยตรงที่จะต้องได้มาให้แก่ตนถ้าได้ตนได้มาสมใจตามที่เราต้องการไม่ว่ารูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสหรือไม่ว่าลาบยศสรนเซินโลกีสุ ข, ส, ขสุขทางอัตตาอัตภาพต้องการอะไรก็แล้วแต่ เราก็จะต้องได้เราก็จะต้องค้นขวาอยู่เนตเนยไปชาติทั้งชาติถ้าไม่รู้ก็ไม่ใช่ชาติเดียวร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชา ต, ชาติเกิดมาก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้ะไม่รู้จบคุณเคยอร่อยมาไม่คนเราไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่น ก, กี่แสนอร่อยใช่ไหมอยู่ไหนยิมมาอร่อยเก่าที่เมื่อวานาวานี้เมื่อวานนี้อร่อยอะไรบ้าง หยิบมาสักอร่อยหนึ่งสินล่วเป็นยังไงอ่ะหยิบมาสักอร่อยนี้มันอยู่ไหนเท่งแท้ท้าวบมั่นคงมันบันทึกไว้มีแต่บันทึกไว้ในความหลงความจาสัญญาแล้วสัญญาหลงสัญญาจำมันนั้นคืออุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นมันยึดมันไม่ปล่อยไม่วางมันจะต้องเอายังงี้มันจะต้องเป็นอย่างงี้มันจะต้องได้อย่างงี้อะไรอยู่งั้นนะ แล้วมันก็มีรา ย, รายละเอียดมันเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราสั่งให้มันเป็นอย่างงี้นี้ตามกําหนดสร้างโปรแกรมให้มันนันมันก็จะอยู่เงียมันก็จะยึดอยู่เงี้ยถ้าไม่ไปเปลี่ยนแปลงไอ้โปรแกรมนี้ออกมันก็จะอยู่อย่างเงี้ ย, แ, แ, ออ ย, ยงงแล้วมันก็จะเอายี้เอาน่าไม่ได้ทุกได้สุขถ้าไม่ได้ละทุกอยู่แคนั้นเพราะเราต้องล้างโปรแกรมนี้ออกต้องล้างไอ้ที่เป็นเปอุปทานเอาไว้ล้างก็ค่อยล้างออกไปเรื่อยๆ วิธีล้างก็อย่างที่อธิบายมาแล้วสมถภาวนาหรือปรัสนาภาวนาก็แล้วแต่เ้าตัวรู้สมุดไทยชัดๆต้องรู้ตัวเหตุชัดๆมันเกิดเมื่อไรรู้ให้มันทันทีเลยมันเป็นปัจจุบันธรรมให้รู้เดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้รู้จับได้เมื่ทันเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็สู้มันปฏิบัติเพื่อล้างให้มันเห็นหลัดเลยว่ามันเออมันแพ้มันจางคลายมันอ่อนตัวมันยอมจนกระทั่งถึงขั้นมันพอเราสู้ปั๊บมัน หยุดเลยมันดับเลยมันตายมันไม่เกิดมันมันจะต้องมีผลจริงอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าใครพิสูจน์ได้เคยพิสูจน์จริงก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านพามนุษย์มาเรียนรู้สัจธรรมมาเรียนรู้อันนี้เมื่อเราล้างเราลดเราลาแล้วเราก็จะไม่อร่อยทีนี้คนเรามันเสียดายเอ๊ะมันเคยเป็นสุขนะมันก็รู้สึกว่ามันดีเหมือนกันนะมันสุกสุกโลกียงอย่างนี้แหละ ถ้ามันหายไปมันจะเป็นยังไงมันจะว่างวางเบืองวางว้าเหวมันแห้งแห้งมันจะยังไงอะแต่ก่อนนี้ถ้ามันได้แล้วมันก็สดชื่นอร่อยบนเทิงเรองรมสนุกดีถ้ามันหมดไม่มีไปไม่มีพอมันล้างไปแล้วมันก็ไม่มีแล้วเป็นยังไงมันก็เฉยเฉยมันไม่นั่งเดินเดก็เดาไปนะแล้วก็จะเดาไป เอายกตัวอย่างง่ายๆคุณเคยไปติดอบา ย, ยมุกอย่างไรมาเมื่อคุณไปติดอบา ย, ยมุกอย่างอื่นๆใดๆมาแล้วเสร็จแล้วคุณก็มาปฏิบัติลดละล้างออกไปเอาละคงใครมีบ้างละแต่ก่อนนี้เราติดจริงๆอบา ย, ยมุกชนิดนี้แต่ก่อนต้องแต่งหน้าไม่ได้เราเจ็ดชั้นนี่ขาดไม่ได้ถ้าไม่เจ็ดชั้นนี่มันทุกข์เล ย, เยโอ้โห ววันนี้ฉันบกพร่องใช่ไหมต้องแต่งเจ็ดชั้นปากคอหน้าตาเขียนทุกชิ้นอย่าให้ตกหลน่นสุขแต่เดี๋ยวปฏิบัติเดี๋ยวนี้ปฏิบัติมาแล้วไม่ไหวแล้วทุกแล้วรู้แล้วเลิกแล้วใจมันจางคลายใจมันจนกระทั่งคุณสนิทยิ่งสนิทสมมุติว่าโอ้สนิทเลยดับแล้วมันไม่ได้ยินดีมันไม่มันไม่เป็นรสชาติแล้วมันเฉยเฉยแล้ว ไม่แต่งกอเฉยๆใครมาแต่งจะรู้สึกว่าแอนเละเอะเทอะเปล่าๆด้วยใจมันจางคลายใจมันเจากระทั่งคุณสนิทยิ่งสนิทสมมสุติว่าโอสนิทเติรดับแล้วมันไม่ได้ยินดีมันไม่มันไม่เป็นรสชาติแล้วมันเฉยๆแล้วไม่แต่งกอเฉยๆใครมาแต่งจะรู้สึกว่าแอนเละเอะเทอะเปล่าๆด้วยไม่ไม่ต้องแต่งก็สบายแล้วเฉยแล้วใจเฉยแล้วแล้วคุณแห้งเหีเห่ยวไหม แห้งเหี่ยวไหมมันก็ไม่เหี่ยวอะไรนี่เห็นไหมก็สบา ย, บายดีมันก็ไม่ได้แห้งเหี่ยวมันก็ไม่ได้โหยหามันก็ไม่ได้อาวอนมันก็ไม่นั่งนั่งดอยดอยน้อยน้อยใจโอย้อยเขามีเราไม่มีไอ้นมันยังไม่หมดมันยังอยากทำอย่างเขาอยู่แต่นี่มันไม่อยากแล้วมันก็เออแล้วไปดีไม่ดีนะตัวเราทำได้แล้วไปเข่งคนอื่นเขาทำแล้วบอกเธอโง่นี่ไปขอบคอีกนะ อยังร้องติดอยู่เลยดูสิดนะแล้วเถอะไปเขาเรื่องอกินเละนะไปข่มก็อีกไอ้นี่ก็ยังไม่ดีนี่ก็ยังไม่สนิทยังมีแรงดูดแรงผลักถ้าเราไม่ดูดแล้วเราก็ไม่ต้องผลักแล้วเราก็ไม่ต้องไปข่มใครไม่ต้องไปดูถูกเหยียดหยามใครคนอื่นก็เป็นคนเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของตนอย่าไปใส่เกลือกไปใส่เกลือกเขาทําไมเขาก็เรื่องของเขาเราก็เรื่องของเรา มันเป็นของเขาเขาจะติดจะยืดจะมากจะน้อยมันเขาจริงๆในของเขานาะเพราะงั้นเราจะช่วยเขาเราก็จะต้องประมาณแล้วเออจะทำให้เขารู้ตัวแล้วให้เขาลดละได้อย่างไรนี่ต้องใช้ฝีมือนะจะให้เขามาลดมาละเนี่ยเขาติดเขายืดเนี่เราต้องใช้ฝีมือไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วใส่เกลือกเข้าไปแล้วโดนอ่าประเดี๋ยวเธอไม่รู้เหลี่ยมรู้มุมแล้วก็หลบไม่ทันยุ่งนะ อาตมาจะพูดมาเพื่อที่จะให้คุณได้ตรวจสอบตรวจสอบดู ว, ว่าอารมณ์ที่เราเลิกแล้วละแล้วอย่างนี้เนี่ยเราเดาอะถ้าเผือว่าเราไม่มีอาการทางโลกีแม่มันขาดแล้วมันตับสนิทมันไม่ทุกข์ไม่สุขมันอุเบกขาแล้วมันจะมันังไงล่ะ ม, ลมันก็เดาไนะมันก็จะเฉยแล้วก็จะเออมันก็ตาไอแห้งเหี่ยวไม่ใช่ นะเพราะงั้นคุณลองทําไปเถอะลดละไปแล้วก็ไปอ่านว่าเออเราหลุดอันนี้มาเรามันก็ไม่ได้เป็นคนแห้งเหียวหลุดอันนี้มาหลุด น, นั่นนมาเสร็จแล้วเราก็มีงานทําแล้วก็มีสิ่งที่เราได้แรงงานคืนมาได้เวลาคืนมาได้ทุนรอนคืนมาได้เงินทองแต่ก่อนไปเสียกับมันนนนเงินทองก็เหลือมาแล้วก็ได้มาแล้วก็เอามาสร้างสรรค์มาทําประโยชน์อื่นทําเสร็จแล้วเรายิ่งสร้างตัวเองให้เป็นคนที่มีจิตใจ เกื้อกูลมีอนุกรรมปามีความเอ็นดูมีความ อ, อยากช่วยเหลือมีเมตตามีอนุกรรมปามีใจเอ็นดูผู้อื่นปรารถนาจะช่วยผู้อื่นอยากจะให้ผู้อื่นได้พ้นทุกเราก็มีสิ่งที่เรามีแรงงานนี่ยนะเราก็ในศาสนาพุทธไม่ได้ไปให้เคุณเป็น น, ปนั่งหลับตาไอ้ที่ทําอะไรเป็นก็ลืมไอ้ที่เคยทําอะไรก็ไม่ได้ฝึกแล้วงอมืองอเท้า ไม่ใช่อย่างนั้นาศาสนาพุทธไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมมันฤาษีไปนั่งสะกดจิตเข้าออไปแล้วปฏิบัติธรรมแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากทําอะไรเลย ข, ข, ขี้ เ, เกียจเท็จเกตตัวนั่นซึ่งยิ่งสร้างอัตตาใหญ่เลยอันชนิดหนึ่งอัตมากระพยามอธิบายเนี่ยมันมันมันหลงไปแบบนั้นแล้วเดีแ๋ยบบนี้นไปนั่งสมาธิแบบฤาษีแล้วก็อยู่เลิกไม่เอาอะไรโล ก, กี้คือโล ก, กี้ต้องห่างหลับหูหลับตาอย่าไปรู้ไปเห็นอย่าไปเกี่ยวไปคล้องนั่นคือแบบฤาษีแท้ แต่ของพูดไม่ใช่ยังอยู่ด้วยกันเลยคุณจะเป็นยังไงอะไรยังไงเราก็เรียนรู้ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปซ่อนลงไปเลยแล้วก็แบ่งสิ่งที่เป็นกิเลส ข, ของเราเนี่ยเราก็ล้างกิเลส ข, ของเราไปแต่ละคนแต่ละคนของใครก็ของใครเรียนรวงตนเองแล้วก็ล้างละลดไปเรื่อยเรื่อยก็จะสะสมไปเรื่อยๆเป็นมรรคเป็นผลนมีมรรคผลไปเรื่อยเรื่อรื่อยรืยส่วน ที่เราได้ทํางานมีสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากรรมันตะสมาอาชีวะมีอาชีพมีการงานมีการกระทํากายกรกกรมวจีกรรมนโอกรรมความคิดนึกดาริคิดอ่านอะไรเรายังทําอยู่เป็นปกติในมรรคองแปเป็นปกติเราทําอยู่เป็นปกติเป็นแต่เพียงว่าเราอ่านล่อซ้อนลึกลงไปว่าในความดํารินึกคิดสังกัปปะนี่มีอะไรเป็นอกุศลมีอะไรเป็นมันผิดที่เราตั้งศีลแล้วที่เราจะกําหนดละโลดล้างแล้ว มีอะไรที่เป็นอกุศลก็ล้างอันนั้นวาจาก็เหมือนกันอะไรเป็นมิจฉาวาจาเราก็ตั้ศีลไปแล้วเราจะไม่แล้วนะไม่ละเมอแล้วไม่หยิบเนื้อสัตว์เข้าปากแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็จะต้องรู้โยไม่ใช่เือหยิบนี่ไม่ใช่วาจาหยิบนี่กายกรรมกายกรรมเรามีกายกรรมมันผิดหรือวจีกรรมที่มันผิดไปบอกเขาฉันไม่กินแล้วเนื้อสัตว์แต่คุณหยิบเสีปากหน่อยสินี่ยโดยเราไม่กระับกายนะเล่นวาจาอย่างเดียวฉันไม่กินแล้วเนื้อสัตว์ นะฉันไม่เอาเข้าปากฉันเองละคุณหยิบใส่หน้าชีอย่างงี้มันก็ไม่เข้าท่าแล้วนี่วาจาผิดแล้วน่ะอะไรนี้เป็นตัวนิ้ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดขำขน่ะว่าเราไม่ได้เราเมิดทั้งกายวาจาใจทั้งกรรมมันตะ ก, การกระทําทุกอย่างทั้งอาชีวะทั้งในการดํารงชีพน่าทำการงานไม่ได้หยุดของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้หยุดอะไรเป็นมนุษย์สามมันเหมือนทุกคนทํางานแต่ เลิกไอ้สิ่งที่ควรเลิกหยุดที่ส่วนที่คนที่สิ่งที่ควรหยุดและหยุดตรงไหนหยุดต้นเหตุมันเลยหยุดไปต้นรากเงาเลยไม่ใช่ปลายเหตุไม่ใช่เรื่องปลายหยุดที่ขั้วมันเลยล้างตามไปที่สมุทยัยเพราะจะทําทได้ก็ทําได้ไปไอ้ที่เราคิดเรานึกเราทํางานสร้างสรรทําทเกี่ยวทำคล้องอะไรอยู่ถ้าว่าจริงๆแล้วนี่นะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเช่น บางคนบอกว่าฉันไม่กินเนื้อสัตว์แล้วแต่ฉันต้องทำกับข้าวให้ลูกกินให้ครอบครัวกินโอ้กายกรรมมันต้องทำ嘛เนาะมันต้องละเมิดมันต้องอะไรกับเนื้อสัตว์อะไรจะไอยู่แต่ใจเรานี่ทำของเราได้ล้างของเราได้เราก็วางใจแล้วก็อะไรอะไรของเราได้เราก็ทำเนื้อสัตว์เป็นทำกับข้าวที่เป็นเนื้อสัตว์เป็นใจเราล้างไปจนกระทั่งใจเราวิมุต ใจเราล้างเสด็จเลยนะเรื่องเกี่ยวกับเนื้อสัตว์เล้างเสด็จเลยแต่เราก็ยังทํากรรมกริยาเกี่ยวกับเนื้อสัตว์อยู่ได้อย่างนี่เป็นต้นมันก็ดูย้อนแย้งแล้วคนจะดูไม่ออกเลยเอ๊คนนี้บรรลุบรรลุเกี่ยวกับเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นที่อาตมาหยิบอย่างนี้มามาอธิบายประกอบเพื่อจะเห็นว่าคนเรานี่มันไม่ได้มันมันมันลึกซึ้งในของพระพุทธเจ้าบประตถรธรรมพระพุทธเจ้าแล้วลึกซึ้งมันไม่ได้ต้องเลิกต้องหยุดต้องทําอันนี้ไม่ได้ทําได้จะช่วยเขาก็ช่วยได้อย่างเนี้ ก็ทำอาหารเนื้อสัตว์ให้เขากินก็ยังได้อยู่แต่ตัวเราเองวิมุตแล้วถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยอย่างให้อัตมาเนี่ยอย่างอัตมาตแต่งเพลงเนี่ยอัตมาใจเขาอัตมาตไม่มีอะไรอัตมาก็แต่งเพลงก็ร้องได้เป็นแม่ครัวเราไม่ทําเนื้อสัตว์ก็ได้ทํากับข้าวปรุงแต่งรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยเราไม่ต้องอร่อยอย่างนั้นแล้วเราเป็นแม่ครัวปรุงอาหารให้ แ, แก่ตนเองไม่ต้องเราไม่ต้องอร่อยอย่างนั้นแต่เราปรุงให้คนอื่นเขากินได้ ทำให้เขาได้แต่เราไม่ต้องการแล้วละ่ะสรุปแล้วเราหาเงินทํางานผลิตอะไรๆแหมเป็นเงินเป็นทองท่านะไรผลิตผลิตให้คนเขาหาเงินให้เขาได้เราไม่ต้องเอาเงินก็ได้เราไม่ต้องมีเงินเราไม่ต้องเอาเงินเราผลิตแล้วก็เอาไปสิให้คนอื่นที่อาตมาอธิบายให้เห็นจริงเห็นเลยว่ า, าศาสนาพุทธนี้มันลึกซึ้งมันวิมุตติมันหลุดพ้นมันไม่ ที่จิตลึกๆเท่านั้นจนกรรมกริยาของมนุษย์โลกนี้มันเป็นไปได้กับเขาปรุงอาหารในคุณกินอร่อยเราก็รู้ว่าอร่อ ย, ยคนนี้จะ อ, อร่อยเท่าไหร่คนนี้อร่อยมากโอ้คนนี้จัดจ้านกลุ่มนี้ต้องปรุงจัดจ้านให้กลุ่มนี้เท่านี้กลุ่มนี้ไม่ต้องจัดจ้านเท่านี้หรอกแค่นี้เขาก็อร่อยแล้วกลุ่มนี้เลยโอ้โหไม่มีปัญหาหรอกต้มน้ําผักมาก็สดไม่เหลืออ่า เราก็จะรู้หมดเลยทุกระดับแล้วเราก็ทําตามเหมาะตามสมทําให้เขาได้โดยที่จิตของเราว่างจิตของเราวิมุตต์เห็นไหมเพราะฉั้นมันไม่ได้หมายความว่าคนมาปฏิบัติธรรมอาวุธเจ้าวิมุตต์แล้วก็เดอ้อเฉยทําอะไรก็หม่เป็นทําอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวจะลำเมิดอเดี๋ยวจะผิดศีลเดี๋ยวจะผิดนู่ผิดนี่เห็นไหมว่าศีลที่บริสุทธิ์แล้วนะั่นน่ะแต่ไม่ถึงก็ต้องไปฆ่าสัตว์ด้วยจิตว่างนะ ไปขโมยได้จิตว่างนะเสพกามผิดผัวเขาเมียใครได้จิตว่างนะมากไปอย่างนั้นมันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไหวหรอกอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะมันมั น, มนไม่เอาระอย่างงั้นไม่ไหวหละนะ่ะเหมือนกับสมัยสมัยก่อนอาตมาบรรยายอยู่ที่วัดมหาธาตุ่ยสไว้แก้วสมเด็จดื่มเบียร์ด้จิตว่างนิมนต์นก็ดื่มเบียร์ด้จิตว่างคุณไปคนก็นิมนต์คุณอะอาตมาบอกไม่ดื่มดีกว่า จริงอาตมาอาจจะดื่มเบียร์ได้จิตว่างได้นะก็ไม่ได้ติดรถอะไรก็ไม่ได้อาหารอร่อยแล้วก็ดื่มเข้าไปก็เบียร์ก็คือเบียร์มันก็น้ําเบียร์รสชาติมันยังไงมันก็อย่างนั้นอ่ะดีไม่ดีมันมีแอลกอฮอล์มันเล่นเราเท่าไหร่มันก็เล่นเท่านั้นจริงๆเนะเราก็ทําได้แต่ว่าเราจะไปทําทําไมอ่ะเราไม่มีความจําเป็นจะอาศัยมันรือในชีวิตเราก็บอกไม่ต้องก็ได้เราจะต้องอาศัยไก่ไหมในร่างกายไม่ต้องอาศัยไก่ก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไปกินไก่ ให้อาตอมากินไก่เลยเนี้ยอาตอมาก็กินไดร้รับรองว่าไม่อ้วกอะ่ะกินได้เอาไทางเจโตนะคนสายเจโตก็กินไม่ได้เลยนะกินแล้วเขาอ้วกแตกอ้ ว, วกแตนเลยนะเขาไม่ได้เลยนะเอาเข้าไม่ได้สายเจโตเขาจะเป็นแต่สายปัญญาไม่มีปัญหาหรอกกินได้แต่ว่าเราจะไปกินทําไมอ่ะเราก็ไม่ไชื่นชอบจริงๆแต่ลึกๆที่จิตเจโตของเราวีมุติแล้วก็เราก็ไม่ชอบจริงๆอะ่ะแล้วก็ คือเฉยเนี่ยชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้ถ้ามันไม่ค่อยดีมันก็มันก็รู้แล้วว่ามันก็ไม่เคยเขาธาของขมของเฝื่อนของฝาดของเผ็ดอะไรเงี้ยมันก็รับกับประสาทมันก็รับยากกว่าแต่ของหวานหวานจัดก็รับยากเหมือนกันของหวานของเอ่อมันของอะไรพวกนี้มันรับง่ายกว่ามันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมมันก็มันก็เป็นลักษณะจริงของมันตามธาตุของมันที่มันจะออกฤทธิ์แต่ละอย่างแต่ละอย่าง รูปก็ตามเสียงตามร้ตามรูปสีเสียงมันจัดจ้านอ่าอันนี้มันแมแสบตาอันนี้มันดูสบายตามันก็เป็นธรรมชาติคือเหมือนกันเจม่าเย็นร้อนอ่อนแข็งโอ้ยนี่เย็นไปโอ้ยนี่ร้อนไปอันนี้พอดีอะไรมันก็ธรรมดาเย็นจัดร้อนจัดก็ไม่ไหวยิ่งเรามาตั้งค่าแล้วอย่างอาตมาทุกวันเนี้กินเย็นไม่ไม่ไม่ไหวแล้วปวดฟันปวดเย็นฟันอ่ะเย็นฟัน ถ้าสามัญอุณภูมิขนาดนี้ธรรมดาเออก็กินได้น้ํำเย็นๆขนาดนี้ถ้ามันเย็นก็คือเย็นถ้ามันร้อนก็เออเราก็ร้อนขนาดนี้เรากินได้แต่ร้อนเกินไปขนาดนี้เราก็กินไม่ไหวอะไรงนี้เป็นต้นอ่ามันก็เป็นเรื่องที่เราอยู่ในสัดส่วนมัชชิ ม, มาในความพอมเหมาะเรารับได้แต่ซ้อนกับความรับได้นั้นนะ่ะมีจิต ด, ดูดหรือผลักไหมนิจตัวตั ว, ตวปรมัดเลยตัวโลกุตระ ส่วนรับได้ที่เราจะต้องรับอยู่ในคนจะต้องรับเย็นร้อนอ่อนแข็งสวยงามมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้ขนาดนั้นขนาดนี้เราพอรับได้ก็รับไปมันต้องสัมพันธ์กันอยู่แน่แต่กิเลสเรานั้นมีหรือไม่นี่คือส่วนโลกุตระจะรับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจะรับลาบยศสันเซรอกรีสุอะไรก็แล้วแต่เป็นโลกีทั้งนั้นในโลกีทั้งหมดเราก็เกี่ยวข้องกับเขาสัมพันธ์กับเขาอยู่เรามีกิเลสกับโลกีทั้งหมดนั้นไหม มีกิเลกกับราบไหมมีกิเลกกับยศไหมมีกิเลกกับสันเสริญไหมมีกิเลกกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นกามกามอารมณ์ต่างๆไหมไม่มีมีกิเลกกับอัตถทธารมที่บวมเรออัตตามีไหมไม่มีแต่เราก็ต้องทํางานอยู่เกี่ยวข้องกับหมดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับเขากับเกี่ยวข้องกับคนอัตภาพต่างๆเกี่ยวข้องกับสรนเสริญเยินยอ ยิ่งสันเซินี่ยิ่งห้ามยากเลยแล้วไม่ให้ก็ไม่ได้เราไม่เอาก็ไม่ได้ไม่เอาก็ได้อยู่แต่มันก็ต้องได้อะเพราะเขาให้ให้เขายกย่องเขาสันเสริญเขาชมเชยชูเชิดนับถือบูชาเรามันห้ามเขาไม่ได้หรอกแต่ใจเราฟูใจเรามีกิเลสไหมยศเราเอาอัดเราอาจจะไม่รับยศก็ได้ลาบเราไม่รับเลยเราสร้างสรร์แล้วก็ให้เขาหมดเราไม่เอาก็ได้ แต่สั่นเซินนี่มันเป็นนามธรรมนะไม่เอาเพราะเขาก็สั่นเินคุณอยู่อ่ะเขายกจ่องเชิดชูคุณนะอยู่อะคุณจะเอาหรือไม่เอามันก็มันห้ามมันมันมันมันมันปฏิเสธยากแต่ลาบยศเราไม่เอาก็ได้เออเราไม่เอารอกตําแหน่งยศตักนี้เราไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาให้ได้วรับมาแล้วเราก็ทํางานตามฐานะตามอํานาจที่เขาให้ว่ายศีได้อํานาจนี้เท่านี้เท่านี้ แล้วก็ทําโดยจิตของเราก็ไม่ได้ไปฟูฟูฟูฟ่ฟองหรือว่ามีกิเลสกับไปยอนนี้อย่างนี้ก็ต้องละเอียดละออนต้องตรวจสอบความเป็นจริงรเพราะฉะนั้นโลกุตระจึงไม่ได้หมายความว่าหนีพรากห่างไม่มีอะไรไม่เกี่ยวข้องไม่คลุกคลีอสังสักะไม่เกี่ยวข้องคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะด้วยกรรมกริยาการงาน อาตมาว่านี่แปลอันนี้มาไม่รุกครีดได้หมู่คณะเนี่ยทําให้ศาสนาพุทธเสื่อมมหาศาลเลยเพราะศาสนาพุทธจึงไม่มีผลประโยชน์อะไรกับสังคมอาตมาที่บอกว่าถ้าตีความแล้วเข้าใจคําอธิบายอุทเทศของพระพุทธเจ้าอธิบายอย่างนั้นชี้แจงอย่างนั้นผิดในสังคมก็จะไม่ไม่ได้อย่างที่มันผิดมันก็ไปอย่างที่เขาไปอย่างโนนนะจะได้อย่างที่อาตมาพามาเป็นเนี่ย ลาบเราก็เกี่ยวข้องอยู่แต่เราจะเอาหรือไม่เอาก็อยู่ที่เราแต่ที่นี่เขามีกฎว่าสาธาระนาผอคีก็ไม่เอาแล้วลาบเราทํางานฟรีมีหน่วยมีกลุ่มจะดูแลรายได้ดูแลผลประโยชน์ก็จัดแจงไปรับผิดชอบไปเรามีหน้าที่ผลิตแล้วก็ผลิตไปเขาไม่ต้องเอารายได้ลาบไม่ต้องเอาเลยไม่เกี่ยวไว้ของเราอาศัายอยู่กินกันในแบบสาธาทาระนาผอคีนี่แหละยศแล้วก็เอาจะตั้งให้เราเป็นผู้รับใช้กลุ่ม เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอันนั้นอันนี้ก็ตั้งไปมันไม่ใช่ยศเป็นอะไรอ่ะยศที่จะมีอํานาจบาดใหญ่ไปแบ่งไปขมมีแต่งานมันจะหนักนรับผิดชอบรับผิดชอบอันนี้มากขึ้นมีตําแหน่งสูงขึ้นโอ้โหรับหนักขึ้นมันก็ตามสัจจะมันแล้วรับไหวเราก็รับรับยังไม่ไหวเราก็อย่าเพิ่งเอาแต่ทั้งโลกเรับไหวไม่ไหวไม่เป็นไรเอาเงินก่อนอัตราเงินเดือนมันสูงขึ้นเอามันก่อนมันก็คนละเรื่องกันมันก็ลักษณะต่างกัน เมื่ออาตมาเข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีแบบนี้เป็นแบบนี้ถ้าปฏิบัติแล้วก็จะรับใช้สังคมรับใช้ชุมชนรับใช้หมู่กลุ่มอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพระผูชนะต่อมวลมนุษยชาติอย่างนี้ไม่เหมือนกับทางโลกรีที่เขาอธิบายหรือไม่เหมือนกับทางรุษีที่เขาอธิบายรุษีก็ถู ก, ถกพอหนักเขาเขาไม่ได้รับใช้หมู่กลุ่มเขาก็ไปปีกเดียว เขาอยากช่วยใครก็ช่วยเมื่อยางช่วยใครก็ฉันนั่งเฉยวันทั้งวันหลับตาปีไม่เกี่ยวไม่กองแล้วกลับศรัทธาเล้โอ้โหท่านสงบท่านไม่เอาอะไรเลยท่านหลุดพ้นโอ้โหท่านไม่จริงจริงแน่ไปนู่นเลยนะเข้าใจว่าอย่างนู้นแล้วก็ไม่เข้าใจได้จริงๆมันง่ายๆใช่ไหมก็ท่านไม่เอาอะไรเลยจริงๆนั่งใครมาไม่เอม่ลาไม่เอายศไปเอาไม่เกี่ยวข้องกับใคร มันเห็นชัดใช่ไหมรูปธรรมมันชัดโอ้โหนี่หลุดพ้นจริงๆเลยคนนี้นี่ไม่เอาจริงๆเลยสงบจริงๆเลยนิ่งสนิทเลยเออเอาไปฟังไปเผาซะเพรา ะ, ะ <S <S 1> <S 1> มันหมดบทบาทแล้วนี่หมดเรื่องเลยนี่ยังเหลือแต่หายใจเท่านั้นแหละแล้วหายใจไม่หายใจเปล่าแล้วกินข้าวกินน้ากินอะไรของเขาด้วยนะ <S <S แล้วไม่ทำอะไร้วยแล้วให้เเอาไปประเคนนะเออให้ก็เอาไปถวายอีกต่างหาก โอ้ย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยคนเอาล่ะเขาว่าเขามีประโยชน์กระดึงของเขาเขาว่าเขามีประโยชน์อย่างไรก็แล้วแต่เขาเขาอาจจะมีประโยชน์ก็อาตมาว่าอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์แต่อาตมาว่าของพระเจ้านี่เป็นอย่างนี้มีประโยชน์อย่างที่อาตมาพาเป็นเนี่ยใครฟังสองอย่างนี้จะเอาอย่างไหนก็เลือกเอาทีนี้อาตมาเมื่อมาพาเป็นอย่างนี้ทําเป็นอย่างนี้จนกระทั่งเกิดกลุ่มเกิดมูเกิดคณะเกิดวัฒนธรรมเกิดพิธีดําเนินชีวิต เนี่ยมีบทบาทมีระบบมีหลักเกณฑ์หลักการมีจารีประเพนีมีวัฒนธรรมขึ้นมาอย่างนี้ อ, อุตมะแมถ้าจะว่ามันตอนนี้อาตมามีอุปกิรลสและฟูใจมันชื่นใจมันยินดีก็ได้ว่ า, างั้นก็ได้แต่อาตมาก็รู้อยู่ว่าอาตมาจะให้จิตของอาตมาฟูฟ่องอย่างนั้นหรือไม่อาตมาก็ดูของตนเองถ้ามันเป็นอุปกรณ์อาตมาก็ต้องตรวจ ถ้าอาตมาจะงงโงปล่อยให้มันมีก็เรื่องของอาตมาแหละอย่ามายุ่งกับอาตมามากถ้าอาตมาจะไม่มีมันก็เรื่องของอาตมาใช่ไหมอาตมาก็ดูใจของอาตมาเพราะอาตมารู้แล้วนี่พูดให้คุณฟังคนก็เข้าใจตามที่อาตมารู้เสร็จอตมาจะทําหรือไม่ทำอาหารฟูดอย่าใส่เกลืออาตมาจะทําหรือไม่ทําก็เรื่องของใครเรื่องของมันต่างคนต่างอบหารฟูด อย่าไปใส่เกลือกอยไปย่ายงเกลือกใครกันนะนี่โดยสัจจะแล้วปัจจัตังเวทิตโภวิยูหิเนพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าเรารู้ได้ตนเป็นของของตนรู้แจ้งของตนเราจะโกหกตนเองหรือเราจะละเอียดนะสุขุมประณีดของตนเองตรวจตราและก็ละลายว่ า, ววาเรารู้ได้ตนเป็นของของตนรู้แจ้งของตนเราจะโกหกตนเอง หรือเราจะละเอียดนะสุขุมประณีดของตนเองตรวจตราและก็ละล้างของตนเองมันก็เป็นของตนเองตามจริงนะท่าทางให้พิสูจน์ยืนยันให้พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธอาตมาในแง่ที่อาตมาอธิบายในแง่ที่อาตมาเห็นว่าอย่างนี้ถูกต้องอาตมาว่าอย่างนี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติและสอดคล้องกับทีุ่ทธเจาท่านบอกว่าผู้วิมุตต์เนี่ยพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าเนี่ยจะเป็นพระหุชนะ ตายาพชนะสุขายะโลกาณุกรรมปายะจะเป็นคนที่มีประโยชน์อย่างมากกับมวลมนุษยชาติจะเป็นเป็นผู้ที่จะทำให้มวลมนุษยชาติเป็นสุขโลกาณุกรรมปายะจะเป็นผู้ที่เอื้ออนุเคราะห์ต่อมนุษยชาติเขาอยู่ทีเดียว อ, อัตมาวาอนิสอดคล้องอย่างนี้ถ้าอย่างที่เป็นฤษีปามันไม่เอื้ออนุเคราะห์มันไม่ได้ไปช่วยมนุษย์เป็นส่วนมากส่วนเมอกอะไรหรอ มีแต่วพวกสแสวงห า, หาหอะไรอะไรกันนั่นนะ้าเราเข้าสารไปถวายไม่ทิ้10ิบกรสอบเดี๋ยวมอดขึ้นาาฝากไว้ชันหมดแล้วบอกนะ้าแล้วเขาศรัทธากันไปตามเรื่องเพราะเขาเห็นว่าอย่างนี้สงบอย่างนี้แหละผู้ผู้หลุดพน้นอย่างนี้แหละเป็นผู้ที่หมดจริงๆอะไรเงียตามความเข้าใจง่ายๆตื่นๆเขาแต่ของพุทธนั้นไม่ง่ายไม่ตื่นยากลึกซึ้งใช่มอ่า รองเท้าที่อาตมาพูดไปแล้วเนี่ยใครฟังแล้วเนี่ยเข้าใจนอกจากเข้าใจแล้วมีสภาวะรองรับด้วยฟังนะออใช่ก็ไปทำเอาทำมาไหนได้แล้วก็ได้ก็ทำไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งมั่นคงยิ่งถาวรยั่งยืนอะไดที่ยังไม่ได้อะไรที่ได้ไปเรื่อยๆก็ทำให้มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสะสมไปสะสมไป จนกระทั่งได้พิสูจน์ว่าเออถ้าเราละเลิกโลกีนี่มาสิเยอะเลยนะโลกีมันมีมากใช่ไหมอ่าอย่างลาบกันอยู่ก็ามากอย่างยศอยู่ก็ามากอย่างสันเซินเสพโลกีรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็เยอะแยะอัตตาอัตถัตถสุขก็เยอะที่เราจะไปแย่งชิงเข้ามาเสพมาบําเรอตนมาเป็นสุขอยู่เนี่ยแต่เราล ะ, ละลดมาได้สักครึ่งหนึ่งเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหมันคนละเรื่องกันเลยละ ถ้าเราลดละมาได้เนี่ยโลกโลง ก, กีก็ก็อยู่อย่างโลกก่เกีเราจะรู้เลยมัน ต, ตัติดถึงมันโอโ้โหสัตว์ใส่กันทั้งกระสุนแย่งกระสุนชิงกระสุนคมเบงกระสุนทํร้ายทําลายอะไรกันเต็มไม่หมดของเราอยู่นอกวงจรเขาละเขาทํางี้แล้วก็ดูมันก็เป็นหนังให้เราดูเป็นละครธรรมชาติให้เราดูเห็นอยู่นีนอัตมาเห็นอยู่หมดเลย อาตมาว่าอาตมาลดละมาได้บูมากมายจนกระทั่งอาตมาเข้าใจแล้วโลกว่าอย่างนั้นอาตมาไม่เอาแล้วแบบโรกีทั้งนั้นไม่เอาอาจารย์ก็จึงเห็นหมดเห็นมากเพราะคุณเห็นบ้างไหมเห็นไหมขนาดพวกคุณยังเห็นเลยใช่ไหมอาตมาว่าอาตมาเนี่ยลดละหรือว่ารู้จริงลดเลิกมาได้มากกว่าพวกคุณแน่ใช่ไหมอาตมาก็ต้องเห็นมากกว่าพวกคุณแน่ ขนาดพวกคุณเห็นขนาดนี้คุณลดละมาได้นิดน น, น, น้อยๆคุณก็ยังเห็นแล้วเพราะใครที่ยิ่งทําตนเองให้เด้ลดละม า, ม า, มากๆก็ยิ่งจะเห็นได้มากๆเลยท้มันก็อยู่ด้วยกันนี่แหละเขาก็อยู่เขาก็ทำเขาก็ลงก็อยู่อย่างนั้นนหะเราหลุดมาแล้วเราก็เออเราหลุดแล้วเขายังไม่หลุดเมื่อเราหลุดแล้วเนี่ยอาตมาก็ว่ามันไม่ได้ด้อยมั น, ไ, นไม่ได้เป็นความด้อย ไม่ได้น้อยหน้าคุณมีตั้งแสนล้านเรามีศูนย์ล้านแสนล้านกับศูนล้านเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าด้อยเรามีศูนย์ล้านเนี่ยเราเราก็ไมไ่รู้สึกว่าด้อยคุณมีโอโหสีสันดังกับโอโหรุ้งเลยนะหน้าสีเจ็ดสีเราหน้าของเราทรไม จะกี่สีก็ไม่รู้เลยนะจะจืดจางๆนี่นะมัจะมีเจ็ดสีนะเราเห็นเขาแล้วเขาบอกว่าสวยถ้าเราจะทำความเข้าใจตามสมมุติเขาว่าเออเขาสวยนะแต่งอย่างนี้สวยสมัยนี้สมัยนี้ยมเขาจะเงี้ยถือว่าสวยเราก็เข้าใจเขาได้แต่เราก็จะไม่รู้สึกด้อยเออเราไม่ได้อย่างเขาไม่ได้เป็นอย่างเขาเขาก็สวยดีเหมือนกันแต่เราก็เราก็ว่าไม่รู้สึกว่าเราด้อย เขาว่าเราได้เขาว่าไอ้เฉยอเฉยก็เฉยเราก็ไม่รู้สึกว่าเรากระทบกระทืบอะไรใจกระทบกระทือนใจห่อเหี่ยวใจก็ไม่ไอ้จนเขามีตั้งแสนล้านแล้วเขามาว่าเราเราศูนย์ล้านไอ้จนเราก็ไม่ได้ด้อยไม่รู้สึกกระทือนใจไม่รู้สึกน้อยใจอะไรไอ้โสม คนเขาคนเขาอาจจะไม่โสมนุษาอาจจะโอ้โหอลังการเลยนะเฟื่องอลังการอะไรแล้วแต่ เ, าเราเหมือนสมสมซุดซุดไม่หีวเหียวไม่ค่อยมีอะไรมากมายเหมือนกันเถอะแต่ก็พอพอพอไปอะนะก็ไม่อุจารอะไรก็ไม่ดูทุรีธุรังการอะไรก็พอสมสมควรพอสมตัวเขามาว่าเราไอ้เสื่อมไอโม้โสมแล้วก็เออเราก็พอไปนะแล้วก็ไม่ได้น้อยหน้าน้อยตาเราก็ไม่ได้น้อยใจ เราก็ไม่้รู้สึกอะไรในใจนี่แหละคือความแข็งแรงคือความที่เรารู้เขาเขาเป็นอย่างไรขนาดไหนเรารู้เราเราก็รู้เราว่าเราเป็นอย่างไรเป็นขนาดไหนเราก็รู้เราเขาก็เป็นอย่างนั้นเราก็รู้เราแล้วลเราก็เปรียบเทียบกันเมื่อไรเราก็รู้ว่าเปรียบเทียบกันมันมีมากมีน้อยมีอะไรก่อกันเราก็รู้ทั้งนั้นเราเข้าใจหมดแต่ในจิตของเราไม่ได้ติดยุด ไม่ได้ถือไม่ได้ถือสักถือสีถือชั้นถือมากถือน้อยถือเรารู้ว่าความมากความน้อยตามสมมติสัจจะเรารู้แต่ในจิตของเราได้ไม่มีตัวลิษยาไม่มีตัวเปรียบเทียบแข่งยั่นแข่งเด่นอะไรแข่งไม่มีอาการทางจิตพวกนี้มันบทความแข่งความเด่นความามากความน้อย ก, กันลิษยากันอะไรอะไ ร, อะไรกันมัคคะปราสะามัชชริยะอิศาอะไรมันไม่มีมัคคะ ลบหลู่ของเขาคนดีแล้วก็ลบหลู่เขาคมเบงเขาไปอีกไปเป็นตีกลับนะมักขะเนี่ยมันเป็นอุปเกรตที่เขาดีแต่เราไปลบหลู่เขาคมเบงเขาขึ้นไปอีกนะมักขะปลาสะเราไม่เท้าเขาตีตนเสมอเขาทําเทียบเขา้าวเขาอ่ามัฉริยะขี้เหนียวนะเรามีอะไรดีๆเราก็ไม่ให้เข า, าเรามีอะไรที่ควรให้เขาไปก็ไม่ให้ ฉันจจห่วงฉันไว้อิศาฤิยามเขาได้ดีก็เรืดีฤิษยาเขาอางนั้นะนะไม่มีเห็นแล้วเขาเป็นอย่างนั้นก็เออก็เป็นไม่มีทั้งมัคคปราสะมัจจริยะอิศาไม่มีหรือเลยไปกระดัอีกอะไรอ ะ, อะมัจจริยะอิศา อันหลังมันธรรมภะสารัมภะสองตัวนี้อะไรสะดุดทุกทีเลยสิเออเออสาเทยละก่อนสาเทยะอะไ ร, าร ม, ะมายามาโถเอตัวมายานี่ก็ลืมได้มาย า, า, ยาสาเทยะนะธรรมภะสารัมภะ มายาเราก็ไม่มีเชิงที่จะปิ้นป้อนหลอกลวงจะมีมีการทําเป็นกลบเกลื่อนทําเป็นเสแส้งทําเป็นเหลี่ยมมุมอะไรมายาไม่มีสาเถยยะโออวดทําเป็นโอทำเป็นเครืองทําเป็นเบงไม่มีจะเอามุมดีไปขมเอามุมด้อยไปขมเอามุมมากไปขมเอามุมน้อยไปขมเนี่ยชันจนกว่าแกเนี่ยเนือกว่าแกอะไรไม่มี ไม่มีการที่จะไปโอ้อวดเบ่งคมไม่มีสาเถยยะหรือสัตโธสาเถยยะหรือสัตโธไม่มีนะธรรมพระดื้อดึงสารธมพระยิ่งพยองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นเกิดที่จิตกิเลสที่เกิดที่จิตเราต้องตรวจอ่านเป็นอุปกิเลสต่างๆอัตมาไม่ได้ไล่มาแต่แต่ตัวบนอภิชาวิสมารโลภะโกะพยาบาทโกทะอุปนาหะหรือสสีส่ตัวแรก สิบหกนี่แบ่งเป็นสี่หมู่สิบหนี่เป็นแบ่งเป็น4ี่หมู่แล้วคุณจะจําได้ทั้งสิบหกถ้าคุณไปนั่งไล่หมู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปก้าสิบไล่เรียงไปท่องสิบหกนี่นั้นยากแบ่งเป็นหมู่แล้วคุณจะจําง่ายแล้วเรียงกันให้รู้นี่หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่หนึ่งอภิชาวิสมารโลภะ พ, พยาบาทโกทอุปนาหะอภิชาวิสมารโลภะก็คือความโลภที่จัดจ้านที่มันชัดเจนที่มันรู้อยู่แล้วสายของความโลภทั้งหมด ส่วนจากนั้นมามันจะมีสายของความละเอียดละออที่มันเกี่ยว ข, อข้องกันโลภก็น้อยแต่มันจะเป็นการทําร้ายมากกว่าทั้งหมดมันเป็นการทําร้ายมากกว่าเพราะงั้นตั้งแต่พยาบาทเนี่ยจองเวรจองกรรมกันเลยพยาบาทมันเป็นความโทสะที่ชัดเจนเราก็ต้องอ่านมาอาจมาไม่ อ, อธิบายเพราะว่ามันง่ายมันเข้าใจง่ายโกรธะก็คือโกรธโกรธนี่คืออารมณ์อย่างหนึ่งนันแหละที่โกรธไม่ชอบใจปุ๊บปุ๊ขึ้นมากโกรธนั่นแหละ ถ้าคุณกโกรธแล้วคุณหายก็บอกว่าคุณคนนี้กโกรธง่ายหายเร็วอ้าวโกรธง่ายหายเร็วกว่าแล้วไปทาไมพยาบาลเลยมันก็หายไปหมดแต่ถ้าโกรธก็ง่ายหายไม่เร็วเป็นอุปนาหาผูกโกรธคุณกโกรธแล้วคุณก็ไม่หยุดคุณก็ไม่วางคุณก็ไม่ปล่อยโกรธง่ายไม่หายเลยอ่า ส, สมบูรณ์กิเลสนี้สมบูรณ์โกรธง่ายแล้วไม่หายเลยกิเลสนี้สมบูรณ์ มันก็กลายไปเป็นพยาบาทเป็นอุปนาหะเป็นการผูกโกรธโกรธผูกไว้ไม่วอกไม่ยอมปล่อยโกรธแล้วก็ผูกต่อนี่อุปนาหะสี่ตัวนี้เข้าใจง่ายอาการนี้รู้ง่ายอาการในใจคิดว่ารู้ไหมถ้ามันเกิดที่ตัวเองรู้ไหมสี่อย่างนี้รู้ไหมนะนี่เร า, เราอัตมาคิดว่าพอเราเข้าใจได้ฝึกหัดปฏิบัติมาแล้วรู้แล้วเป็นไงเลี้ยงมันไว้ให้อาหารมันต่อ ระวังเถอะอย่าโง่นะเป็นลูกพองพระเจ้านี่เกิดมามีชีวิตนี่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญคุณจะอยู่กับโลกลาบยอดสันเซินโลกีสุขอัตมาพูดผ่านมาแล้วก็เกี่ยวข้องไปมันต้องสัมพันธ์มันจะไปพลากห่างกันจริงๆมันไม่ได้หรอกมันก็ต้องเกี่ยวข้องกันบ้างต้องเกี่ยวข้องกันแล้วก็อยู่ในฐานอะไรเ้มันไม่รูปไม่เรื่องของมันอย่างที่อัตมาพากันเป็นอยู่เห็นไหมจะเป็นสมณะจะเป็นนักบวชจะไม่เป็นนักบวชเป็นคารวะก็ตามก็เกี่ยวข้องตามที่เป็นเนี่ย แต่เราเองเราก็รับผิดชอบตามที่เราควรรับผิดชอบสิ่งเหล่านั้นเราตัดรอบขนาดไหนเราก็ตัดรอบขนาดนั้นเราตัดได้มากกว่านี้อีกก็ตัดไปใหมม้มีรูปแบบให้มีหลักการอะไรก็ว่ากันไป